กับนักการพระอาจารย์ขอโอกาสนะคะโยมมีข้ อ, อ, อสักถามนะคะในเรื่องของการที่พระเจ้าได้เคยเมิกมีหลายคนที่เข้าใจว่าพระเจ้าได้ตัดว่าเมื่ออย่าให้เชื่อคําของพระเจ้าต้องพิสูจน์ก่อนถึงจะ เ, เชื่อได้ไม่เคยพูดเจ้าค่ะโยมเองโยมก็คัดค้านตรงนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหม พี่โยมศึกษาธรรมะมาอ่านพระไตรปิฎกมาว่าองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้เชื่อมั่นในคาสัง่งสอนของพระองค mm ์ hmm. อย่างไม่เครือบแคลนสงสัยใดๆ mm hmm. หากว่าเราจะสงสัยได้ต่อเมื่อสาวกพูดหรือการไ ป, ไปอ่านหน้าที่ใดพระองค์ให้ตรวจสอบกับพระสูตรว่าตรงกับสอดรับกับพระสูตรหรือไม่ตรงนี้ถือว่า ยมได้ได้อธิบายให้เขาฟังในในคำพูดเช่นนี้นเจ้าค่ะก็ถูกแล้วเป็นคำูดที่ถูกต้อง เ, เพราะว่าหลายคนมากเลยที่แบบว่าเหมือนตีความผิดว่าพระองค์บอกว่าไม่ได้ตี<ม>ความมันจามาผิดเจ้าค่ะทรงจำถ้าก็พูดอย่างนั้นก็ต้องให้เขายกพระสูตรมาสิว่าตรงไหนที่ผู้เจ้าบอกว่าอย่าเชื่อฟังคําำโเจ้อยมคัดค้านไปแล้วก็<อ>ดูซิพระสูตรไหนมีตรงไหนที่พระองค์ตัดไว้ อได้คัดข้าน ไ, <ช>ได้แล้อธิบายฟังไปแล้วส่วนใหญ่ก็ฟังฟังกันมาเรื่อยไม่ได้ไปตรวจสอบแล้วก็จํากันมาผิดส่วนใหญ่ก็พวกพระก็ไปยกกาละมาสูต ร, รซึ่งก็ยกผิดอีกอ่ะการละมาสูตรก็ไม่ได้พระองค์ไม่ได้จัดอย่างนั้นอเพราะว่าการศึกษาอ่านพระไตรปิฎกทําให้เราสามารถที่จะพูดได้อย่างเข้มแข็งมากอ่านพุทธพจนะในพระไตรปิฎก อืมดียวไปบอกอ่านพระตรปิฎกเนี่ยคนจะคิดว่าพระตรปิฎกถูกทั้งหมดออ่านพุทธวจนะที่อยู่ในพระตะรปิฎกเราเหตุแห่งการ ไม่ศึกษาไม่เข้าไปศึกษาแล้วฟังฟังกันมาเรื่อยๆมันก็เลยคลาดเคลื่อนไปเรื่อยอะไรเป็นผลเสียต่อพระศาสดากลายเป็นาคำศาสดาอย่าไปฟังโอ้เสียหายใหญ่เนี่ย คือเมื่อเช้ายังสงสัยในเรื่องการทํางานของขันห้าครับในการที่จะละนันทีหรือว่าในการที่จะเห็นสัจจะในเรื่องของของอนิจจ์นนี่อยากอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เพิ่มเติมนิดหนึงครับว่าขันห้าเรามีการทาํางานยังไงของมันในการที่เราจะได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเวลามีอะไรมากระทบเขื่อไนอไหมครับยมนั่งดูจิตตัวเองก็จะเห็นว่าขันห้าทำงานอย่างไร นั่งดูลมหายใจเนี่ยเวลาเรานั่งดูสังเกตดูจะยืนเดินนั่งนอนที่ไหนเราเห็นจิตมันทานํางานยังไงนั่นนะ่ะครูเจ้าบอกโสตะวันจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยวนอยู่ในขันทั้งสี่มันจะรับรู้กายเดี๋ยวไปรับรู้เวทนาเดี๋ยวไปรับรู้สัญญาสังขารว น, นไปวนมาอยู่อย่างนี้ น, นี่หลักการทํางานของมัน ว่าสำคัญคือตัวตัววิญญาณใช่ไหมครับที่จะไปรับรู้ในตัวลูกนามลูกนามอีกสี่ตัวใช่ก็คือเราตามดูรู้จิตของเราโดยโดยพระบอกดูลมหายใจดูลมหายใจดูว่าจิตกำลังรู้ลมเมื่อเราให้จิตมารู้ลมเนี่ยเดี๋ยวจิตมันจะไม่ได้รู้ลมอย่างเดียวมันไปรู้อย่างอื่นแสดงว่ามันไปนอกเหนือ ความอยากของเราเนี่ยเราอยากให้มันรู้ลมแต่มันไปรู้อย่างอื่นอย่างนี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนของมันไงเราก็จะเห็นว่าเราสั่งตกลงแล้วเราสั่งมันไม่ได้เราสั่งให้มันอยู่กับลมมันก็ไม่อยู่มันมีการหายไปอย่างนี้เนี่ยเราจะค่อยๆเห็นความจริงผู้เช่าก็จิตเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่พงษ์ก็ เห็นแล้วก็สามารถสรุปได้ว่าจิตเป็นยังไงทํางานยังไงมีการเกิดดับยังไงอย่างนี uh ้ huh. การเกิดดับที่ว่านี้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอาจารย์คือสมมติว่าจิตเป็นนึกคิดเรื่องอะไรก็ตา ม, มานะฮะในขนาดหมุนเดิอนจงกรมก็ได้ครแล้วก็นึกคิดตรงนั้นเราก็รู้สึกตัวก็ม่อยู่ลมหายใจนี่คือเกิดดับขึ้นแล้วใช่ไหมใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่อาจจะเป็นนึกคิดเรื่องอื่นอีกแล้วถ้าดึงกลับไม่ได้เรามันที่จะดึงมันกลับมากลับมา ให้อยู่กับลมหายใจอืมอันนี้ก็คือเหมือนกับว่านี่คือให้รู้อนิจจังตรงนี้ครับใช่เราดึงมันกลับมามันต้องหายไปใช่ไหมความคิดมันหายใช่ไหมนั่นนะมันดับไปละ่ะการหายไปมันดับมันละดับไปแล้วอ่าแล้วเราก็มาอยู่กับการเดินหรืออยู่กับลมหายใจเดินไปสักพักหลุดไปคิดอีกแล้วขณะที่ยอมหลุดไปคิดเนี่ยความรู้สึกตัวขณะนั้นวินาทีนั้นมีมไหม มันไม่มีแล้วนะันะ่ะร่างกายมันเดินไปเฉยๆไม่มีจิตอยู่นะั่นะนะ่ะมันก็ไปรู้ความคิดต่ออีกอมันอยู่ที่ว่าโยมจะเพลินไปกี่นาทีกันนะั่นนะ่ะโยมดึงกลับมาอีกความคิดก็หายไปอีกก็เนี่ยเกิดดับแล้วเนี่ยอะจะไปเห็นอะไรเกิดดับไปล้ำลึกอะไรกว่า น, นี้นี่ง่ายๆอยู่คาตาเรานี่แหละอืม บางคนก็พูดปรุงแต่งไปบอกการเห็นเกิดดับจะต้องมีวิปัสนามีอะไรต่ออะไรฌานสี่มีโอ้ยจีปาถะปรุงแต่งไปเรื่อยพระศาสดาบอกว่าปฐมฌานก็เห็นเกิดดับได้นีสัมมาสมาธิอันเป็นอริยก็เห็นเกิดดับได้นีมันไปคนละเรื่องกับคําสาวกที่มันแต่งขึ้นเนี่ย เห็นสาวกพูดจาคมคายเหมือนพวกเซนพวกอะไรเนี่ยโอ้พูดมานะคมสวยหรูอักษรสละสลวยพัญชนกวิจิตแต่ผู้ชาบอกมันไม่ใช่สัจจะความจริงจึงเป็นเหตุให้ต้องมาฟังคำตาตาคตมันคือความจริงเราฟังคำสวยหรูไพเราะแต่มันไม่ใช่ความจริงมันจะได้ประโยชน์อะไร ฟังดูแล้วจริงๆเราก็ไม่จะเป็นต้องนั่งสมาธิจนได้ฌานอะไรขั้นสูงมากเลยเขาเทบผสมฌานาคือมันเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วแต่เราเห็นมราจเ็มันเองใช่ขอโอกาสอีกครั้งนะคะเรื่องการเกิดดแบบับเช่นกันถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะเราจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราสามารถควบคุมหายใจคือเอาจิตวิญญาณนี้จะมาอยู่ที่ ที่รู้แต่เมื่อมันเกิดสัญญาหรือว่าเกิดเวทนาเกิดสังขารขึ้นมาเนี่ยแต่เราตามไปรู้มันก็เท่ากับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นการเกิดจากของจิตค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจึงแต่บางคนก็เข้าใจว่าจะต้องอยู่กับลมก็คือความเข้มแข็งของสมาธิคือต้องอยู่กับลมอย่างเดียวเนี่ยยมคิดว่าบางครั้งมันก็ต้องมันเคลื่อนเวลานั่งมันจะมันก็จะเคลื่อนอยู่ตามธรรมชาติของมัน ก็สามารถเห็นเกิดดับก็จะเป็นสมาธิได้เช่นกันใช่ไหมครับก็ในสมาธิแต่ละขั้นพุทเจ้าบอกขันห้าก็ยังทํางานอยู่นะเจ้ค่ะยังมีการเกิดดับอยู่ตเราต้องตามไปเห็นเห็นมันตามไปอะไรก็เรากับมันเป็นตัวเดียวกันมันจะต้องไปตามอะไรเวลามันหายไปน่ะความเป็นเรามันอยู่ในนั้นน่ะแต่เราเห็นมันเราก็ไปเห็นว่ามันเกิดสัญญาขึ้นชแล้วเราก็ดึงกลับมาที่ลมใหม่สักพักมันก็อาจจะเกิดเวทนา ใช่ไหมเจ้าคะถ้าเราทำตรงนี้ก็เท่ากับนั่นคือสิ่งที่เราทำสมาธิอยู่ในสมาธิไม่จาเป็นต้องอยู่กับใจมั่นนั่นก็คือเราตั้งใจมั่นอยู่ที่จิตของเราว่ามันไปไหนแต่บางคนเขาใจว่ามันมันล้มเหลวจริงๆไม่ใช่เจ้าคะอธิบายเพราะว่าบางคนบบกนั่งไม่ได้เลยก็มีหลายหลายคนที่เป็นเพื่อนโยมก็บอกว่าทำไมไม่นั่งนั่งไม่ได้เลยจิตมันไปมันวิ่ง นั่นคื อ, อาการทำงานของจิตแต่การวิ่งเราก็ตามไปดูเขาเข้าใจว่าแค่ว่าการนั่งสมาธิที่ที่ที่แบบมีประสิทธิภาพคือที่ได้ผลสำเร็จก็คือจะต้องอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นไปนไม่ได้ยมกายทิบายอย่างนัน้ก็ให้เห็นความจริงอ่ะเราต้องเอามันมาอยู่กับลมหายใจแต่ความจริงมันเป็นยังไงอ่ะความจริงธรรมชาติจิตมันจะเกิดตับของมันตลอด และความเป็นเรามันก็อยู่ตรงนั้ น, นเวลาจิตดับเกิดไปตรงไหนเนี่ยความรู้สึกในอัตตาความเป็นเราในจิตมันก็ไปอยู่ตรงนั้นเกิดดับไปพร้อมๆกันเราก็เลยต้องเอามาอยู่กับลหายใจเพื่อหเห็นว่าเในความจริงเนี่ยมันจะเกิดดับไปของมันเองนั่นแหละะจิตทุกคนก็ฟุ้งหมดน่ะนะมันฟุ้งไปในอะไรบ้างเราก็ดูสิและหน้าที่พระเจ้าก็ให้ละความเพลินแล้วกลับมาอยู่ที่ ล ม, ลมหายใจคนที่อยู่กับลมได้นานเท่ากับมีความเพียรเยอะที่จะทกที่จะฝึกฝึก ฝ, กฝนเยอะ ท, ที่ที่จะให้ระยะเวลาที่อยู่กับลมหายใจมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าตอนแรกโยมก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่กับลมหายใจได้มากมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไ mm hmm. ม่มีันก็จะแวบไปแวบอืเจ้าคะ การเรียนผ้าจานครับพอดีกับผมกับเพื่อนก็มาครั้งแรกครับเมื่อกี้อาจจะใช้ภาษาไม่ถูกครับแต่ว่าก็ฟังกินผอาจารย์ใน YouTube ไปบ่อยนะครับก็จะฟังทุกครั้งที่ฟังก็จะถกกันเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้ครับอย่างเมื่อกี้กรดีที่มาเนี่ยก็ขับรถมาจากกรุงเทพคือก็ขับมาเรื่อยๆต้องมาที่นครนายกใช่ไหมครับระหว่างทางก็เห็นรถบีสีแดงก็มาเดคุยกันเพืินไปกับรถบีสีแดงครับแล้วก็จะพาเลี้ยวซ้ายออกไปผิดทางเพื่อนก็ตือนสติว่าเฮ้ยไม่ใช่ต้องต้องไปทางนี้ แคนใยกกล้องเดี ย, ยวซ้ายบอกว่อกใช่ใช่ก็เลยคุยกันต่อว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับวิญญาณเพลินไปกับรถวีเอ็มใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้เพื่อนที่เป็นสติเรียกกลับมาก็ไปผิดทางก็เลยทีนี้ก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้ววิญญาณเพลินไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสิ่งต่างๆนะครับและสติเป็นตัวเรียกไงสติกับวิญญาณ น, นะครับคืออันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าตัวอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยถูกต้องไหมหรือว่ายังมีคําว่าสติ จิตแลวก็วิญญาีเนะครับระบบการทำงานของมันนะครับตามที่ผมคุยกันเนี่ยผมเข้าใจถูกไหมครับอาจารยเ์เป็นอาการของจิตแค่นั้นนะนะ <c oughs> ไม่ไม่ต้องไปหาสาวหาเรื่องสติมากฝึกอย่างเดียวนะวสติมันเป็นอะไรที่เกิดดับรวดเร็วนะเป็นอาการหนึ่งแค่นั้นนะ เราฝึกมันให้เกิดขึ้นด้วยการที่อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับจิตที่รู้ลมหายใจสติกฐานสี่ล้วนเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสติทั้งสิ้นวนะิญญาณถ้าจิตเนี่ยเข้าไปผูกพันกับรูปเนี่ยนะก็คือวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในตรงนั้นที่พูะพุทธเจ้าบอกว่า ตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่ที่เธอรู้สึกอึดอัดขระยัยงถ้าเราไม่สํารวมจิตมาอยู่ที่กายนะอายณะเนี่ยมันจะฉุดเราไปนะมันฉุดไปเพราะวิญญาณน่มันจะเคลื่อนไปในช่องอายนะนั้นทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นมานะวิญญาณสามารถไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารได้หมดทุกที เวลาผู้เจ้าบอกภิกษุจ้องมองหรือเพลินต่ออสซาธะรสอร่อยของรูปเนี่ยน ะ, อ, ะอย่างของโยมก็รูปนั้นเป็นรูปที่วิญญาณเขาไปตั้งอาศัยอย่างนี้นั้นมันก็จะเพลินไปอย่างนี้ มีคำถามทางอินเทอร์เน็ตอยู่สักสามคำถามนะมีผู้ชมออนไลน์167จากไทยลาวเกาหลีใต้อเมริกาสวีเดนฟินแลนด์สารับอาหรับเอเมิเรสจากพระชัดฐานวโลวัดเกศมดีศีวรลาลาม เนื่องด้วยกับผมพระอาจารยมีความต้องการบ่มบาตรที่ใช้ปัจจุบันเป็นบาตรสเตนเลสด้วยถูกต้องตามหลักและตามวินยัยและต้องการศึกษาการย้อมจีวรด้วยน้ำฝาดตามตามหลักพระวินยัยจึงขอความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ช่วยสาธิตและแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อนําไปปฏิบัติและเผยแพร่สืบไป ขอบรบกวนพรอาจารย์ช่วยกำหนดวันและเวลาที่พระอาจารย์สะดวกเอ๊ะเรามีตรงนี้ถ่ายไปแล้วนะเรื่องการการซักย้อมผ้าเนี่ยนะการซักย้อมผ้านะ่าจะเคยมีถ่ายไปแล้วเดี๋ยวลองลองไปเช็คดูในเว็บไซต์อีกทีนะเรื่องข้อวัดปฏิบัติ ต่างๆเนี่ยส่วนการบ่มบาทนี้อาจจะยังไม่ได้มีถ่ายเอาไว้มันขั้นตอนมันยากนะถ้าบ่มโดยแบบธรรมชาติเอาฟืนมาสมุมสมุนเนี่ยมันก็ทำยากอยู่แล้วก็ทำมาแล้วอาจจะเสียบ้างดีบ้างแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าบาทคอยใส่ฟืนกันทั้งคืนอย่างเงี้ยกว่าจะได้ที่ ตอนหลังก็มาปรับใช้เตาเตาไฟฟ้าที่ทำอุณหภูมิได้นะแทนการใช้ฟืนบ่มนะเพราะว่ า, าฟืนก็เริ่มหายากยินนะตอนที่ใช้ฟืนก็ปรับจากการใช้ฟืนมาเป็นใช้ถ่านนะก็ก็ได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็เปลืองพอสมควรเพราะถ่าน ก็หมดหลายกระสอบกว่าจะได้ก็ค่าใช้จ่ายฐานก็หลายพันเหมือนกันหลายพันบาทกว่าจะได้บาทลูกหนึ่งแล้วเกิดผมเสร็จเช้าออกมาเสียอีกอา้าวเริ่มใหม่นะอ่าอันก็ก็เลยตอนหลังมาปรับเป็นใช้เตาไฟฟ้าซึ่งพอควบคุมอุณหภูมิได้ ถึงจะใช้เตาไฟฟ้าถ้าไม่มีความละเอียดก็เสียอีกนะอุณหภูมิก็ต้องพอดีพอดีแล้วก็ความสะอาดในการเอาบาดเข้าไปสะอาดบาดนี้ต้องสะอาดกริบเลยมีคราบมีมันมีฝุ่นไม่ได้มันจะเป็นรอยด่างทันทีแล้วก็สนิมจะเกิดขึ้นตรงนั้นอีกอก็ต้องมีความละเอียดพิถีพิถันในการทาทุกขั้นตอนประสบการณ์ก็จะทาให้เราเรียนรู้ไปเองนะ ทำไปแล้วมันออกมามันเสียยังไงมันไม่ดียังไงนะจากจังหวัดตราดวันเสาวหลังฉันที่แปดที่ผ่านม า, าไม่ค่อยได้ยินคำถามเนื่องจากไม่ได้ใช้ไมโครโฟน อ, อยากให ส่งเคราะห์ให้ช่วยใช้ไมโครโฟนด้วยเสียงวาตราดไม่เคยได้ยินพวกเราได้คุยกันเนี่ยเสียงไปรอบโลกเลยนะยัก็แปลกดีเหมือนกันจากเมืองระยองวันนี้รับชมทางออนไลน์ระบบเสียงขาดหายบ่อยครั้งแล้เงียบหายไปเลยไม่ทราบเป็นเพราะอะไสรสัญญาณเสียงไม่สม่ำเสมอ จริงเรียนมาเพื่อทราบก็เดี๋ยวจะได้เช็คต่ อ, อคำถามทงมงาองอินเทอร์เน็ตก็หมดขการคัดค้าน คือมีความสงสัยอยู่ที่จริงๆต้องการจะนําหนังสือพระอาจารย์ไปเผยแพร่ในห้องสมุดครับทีนี้พุทธพุทธวจนะเนี่ยมาจากพระไตรปิดกใช่ไหอือับทีนี้สงสัยว่าพระไตรปิดกเนี่ยคืออย่างที่แปลเป็นภาษาไทยอย่างเนี้ยรัคือมันทราบได้อย่างไรว่าตรงนี้คือมันมาจากต้นฉบับที่ที่ค่อนข้างแน่ น, นอนว่าเป็นคำขอ ง, อของพระพุทธเจา้า นเต้องไปดูต้องไปดูคือมีคนถามไอเดียครับเราได้<ช>อธิบายได้แค่สั้นๆว่ามาจากพระไตรปิฎกอ๋อ แ, แต่เนื้อจากนั้นที่ไปที่มาที่ไปสืบมันไปเนี่ยตันแล้วครับไปไม่ถูกก็เลยว่าจะขอข อ, ขอคําชี้แนะต้องไปดูซีดีพูดไว่น่าจะเป็นรอยมือหมากอะไรอ่าอั้นต้องมีตัวอย่างาให้เห็นนะเพราะอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยโยมต้อง ไปตามว้าต่าง ๆ, ๆเนี่ยโยมจะเห็นเนี่ยมันมสีสองตู้อย่างเนี้ยไอหน้าตาอย่างเนี้ยนี่ของมาหามังกรถ้าโยมคุ้นเคยโยมเห็นบ่อยๆเนี่ยเล่มสีน้ําเงินอย่างเนี้ยดึงมาเนี่ยเป็นมาหามังกรจะมีเก้าสิบเอ็ดเล่มน ะ, ะรวมหมดน่ะรวมมันหมดน่ะเนี่ยหน้าปกเนี่ยโยมเห็นไหมก็จะเขียนพระสูตรและอัตตากถาพระสูตรคือคำพระเจ้า อัตตาานคือคําแต่งใหม่แต่จริงๆเขาก็ใช้คําไม่ถูกหรอกจริงๆต้องใช้อัตถาคตภาสิท์อัตตาฐาก็ต้องใช้สาวกภาสิทธิ์คือสาวกเนี่ยเป็นคนพูดขึ้นอย่างนี้เพราะไม่ใช่ผู้เจ้าคือใครก็ตามไม่ใช่ผู้เจ้าพูดอ่ะนะแต่ถ้าใครก็ตามที่เขาพูดแล้วแล้วผู้เจ้ารับรองอันนั้นนะ่ะคือคํำผู้เจ้าเพราะเราถือว่าผู้เจ้าคือสัพพัญญูเก่งที่สุดถ้าผู้เจ้ารับรองคำใครคํานั้นก็เสมือนหนึ่งคํำผู้เจ้าถูกต้องไหมอ่าอย่างนี้ ดังนั้นในทุกเล่มเนี่ยเขจะมีอย่างนี้พสัสตรและอันตรธานคพผู้เจ้าและคําแต่งใหม่นแต่จริงๆหลังผู้เจ้าปริเริพานแล้วเขาจาแต่คํำผู้เจ้าเขาไม่มีคําแต่งใหม่แต่นี่เพราะคนทำเนี่ยไม่เห็นความสําคัญของคํำผู้เจ้าอย่างเดียวดันไปเห็นความสําคัญของคําแต่งใ ห, ใหม่ด้วยซึ่งผู้เจ้าบอกไม่ให้ความสําคัญแต่คนทำบอกเห็นความสําคัญแต่ผู้เจ้าบอกอย่าไปฟังอย่าไปศึกษาตามพัสตรนี้เห็นนะ คือมันผิดตั้งแต่ตั้งแต่หลักการนะดังนั้นหลังในการสังเขนนาเนี่ยทุกคนพูดหลักการเน่ะเหมือนกันหมดเลยหลักการก็คือสังเขนนาเนี่ยจำคำผู้เจ้าไม่ได้บอกเลยว่าจำคำสาวกคือสาวกต้องพูดคำผู้เจ้าออกมานะแล้วสาวกคนอื่นช่วยกันจานะว่าคนเนี้ยเคยฟังผู้เจ้าพูดว่าอย่างนี้นะ ทุกคนต้องช่วยกันจำคำพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นเพราะพุทธเจ้าคือสัพพัญญูคนเดียวที่เหลือแผนกเดินตาม น, นี่ให้เข้าใจหลักการก่อ น, นดังนั้นหลักการเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนพูดอย่างนี้หมดแต่ผลลัพธ์ออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่อันนี้คือความจริงมันเป็นอย่างนี้น ะ, ะแต่นี้นี่นี่ของของมหามมกุฏ แต่มีของมหาชุลาด้วยถ้าของมหาชุลาไม่มีตรงนี้นะแต่จริงๆมีแต่มันอยู่ข้างหลังนะอยู่ในห้องข้างหลังแ่ของมหาชุลาจะออกเป็นสฟีฟ้าเล่มใหญ่กว่านี้จะมีสี่สิบ้าเล่มนะมห า, ากุฎก็จะมีเก้าสิบเอ็ดเล่มแต่โยมก็ไม่อ่านคำนำเขาเนี่ยคำนำเขาเนี่ยว่าเอามาจากไหนนะสาวอะ พ่อโยมสาวกําลังสาวอ่ะเอ๊ะแล้วคำพูดเจ้าช่หรือเปล่าแล้วมันมาจากไหนอะไรยังไงเนียก็สาวไปเนี่ยาสาวตัวแรกก่อนมหามงกุฎเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็ามาจากพระไจ้าบิดกฉบับสยามรัฐไปดูมหาจุฬา <c oughs> เขาก็บอกเขาเามาจากพระเจ้าบิดกฉบับสยามรัฐอ่ะเราเริ่มสาวแล้วนะเพราะมหามงกุฎก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมมหาจุฬาก็ไม่ใช่พระเจ้าใช่ไหมอ่าต้องลอกมา ถูกต้องไหมอ่านั่นแหละเขาก็ลอกมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเ้องสีแดงออกไปเอาเล่มเล่มจริงมามนี่อันนี้มหาจุลานะนี่มหามงกุฎนะโยมไปทุกวัดทั่วประเทศเนี่ยจะเจอสองสำนักใหญ่เนี่ยนะอ่าเดี๋ยวนี้ก็มีของมหาเทรสมาคมมาอีกอันหนึ่ง อแล้วก็มีฉบับประชาชนฉบับ น, น้นโน้นนี่เยอะแยะไปหมดเลยไอ้ทั้งหมดเนี่ยเอามาจากไหนทั้งหมดเอามาจากฉบับสยามรัฐนะในฉบับสยามรัฐเนี่ยก็มีทั้งภาษาบาลีสี่ส้าเล่มและภาษาไทยสีบห้าเล่มนะอ่านะนนี้ฉบับสยามรัฐเนี่ยใครทําทําเมื่อไหร่ทําในยุคลอนะ้อห้าอ่านั้น ลอห้าเนี่ยนิมนต์พระมาร้อยกว่ารูปมาประชุมกันที่วัดพระแก้วบอกให้ช่วยแปลจากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามแค่เปลี่ยนอักขละก่อนเปลี่ยนอาาักขละแตนั้นเวลาโยมดูพระไวริฎกรุ่นแรกเนี่ยนะโยมก็จะอ่านไม่รู้เรื่องนจะเป็นอักขละไทยอ่ะแต่ก็ยังเพื่อให้อ่านเป็นแบบ ปาลีก็เช่นเอกังสามารถยังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอ่าโยปนวิคุปพิทเขเวอะไรอย่างเงี้ยอก็ต้องมาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งอตอนนั้นแค่เปลี่ยนอักขระมาเป็นอักขะสยามนะอักษรสยามจากอักษรของคือประเทศไหนก็ตามนี่ยจะเอาไปเขียนอักขระของตัวเองเนี่ยจะต้องเขียนให้อ่านได้ตามที่ผู้จเจ้าพูดไว้ อย่างผู้เจ้าพูดว่าปานาติปาตาเวลมณีโยมเป็นฝรั่งโยมก็ต้องเขียนให้ได้ให้ฝรั่งอ่านว่าปานาติปาตาเวลมณีมาเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็ต้องเขียนให้คนไทยอ่านออกว่าเป็นปานาติปาตาเวลมณีทุกคนต้องเอาภาษาอักขระของตัวเองเขียนให้เหมือนกับคำที่ผู้เจ้าพูดเอาไว้ก็จะเห็นไหมอ่านี่คือการเปลี่ยนอักขระเป็นไปในแต่ละประเทศจากนั้นเมื่อ เขียนอย่างนี้แล้วเนี่ยอาัคลาสยามปานาติปาตาเวลามันนี่ก็ต้องแปลกลับใหม่ทีว่าอ๋อไม่ค้างศักดิ์มีคนไทยก็มันรู้เรื่องอีงกเหมือนกันใช่ไหมอ่ามันจึงมีพระไตรปิฎกฉบับบาลีแล้วก็ฉบับไทยเป็นแบบนี้อ่ามันมันหลายชั้นเนาะหลายชั้นสาวไไกลเริ่มสาวไปไกลอันนี้คือตัวฉบับฉบับจริงอ่าแต่พิมพ์เมื่อสองสี่หกแดนะ <c oughs> เนี่ยหน้าตาพระเจดียดกร บ, บสยามรัฐเป็นอย่างนี้อันนี้พิมพ์เมื่อสองสี่หกแแต่ตัวตัวพิมพ์ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อสองสี่สามหกเริ่มทำเมื่อสองสี่สามหนึ่งและทำเสร็จสองสี่สามหกและรอห้าก็จัดเป็นการพิมพ์ในรูปแบบหนังสือนะซึ่งท่านไม่ใช้ใบลานละนะ เขาบอกลงทุนสูงใบลานก็เหมือนเดนเนี้ยทำหนังสือก็ลงทุนสูงก็เลยทำเป็น c ีดีใช่หม <c oughs> หนึ่งก็สมัยนั้นเทคโนโลยีการทำหนังสือเข้ามาครั้งแรกในโลกเข้ามาครั้งแรกในประเทศไทยอ่าครั้งแรกในประเทศไทยรอห้าก็จัดก็เลยเป็นพระตระกีดกบที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกรอห้าก็แจกไปสองร้ยหกสิบทั่วโลกแล้วก็แจกไปทุกๆวัดท่วประเทศ ดังนั้นที่เรารู้ด้านพุทธศาสนาในวันเนี้ยทุกวันเนี้ยก็ามาจากตัวนี้ตัวเดียวนะเพราะเป็นตัวแรกที่เป็นอักษรสยามนะนะดังนั้นของมหามงกุฎเก้าสิบเอ็ดเล่ ม, มมหาจุลาสี่ผ้าเล่มเอามาจากตัวนี้อถอยค่อยๆถอยไปนะถอยจากตัวเป็นๆที่เห็นนี้ก่อนนะแล้วถอยไปสู่ผู้หลักฐานที่หาคน คนทําไม่ได้แล้วตายไปแล้วนะถูกเผาไปแล้วอทีนี้พระในยุครอห้าก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขาก็ต้องเอามาจากที่อื่นอีกเขาเอามาจากที่ไหนตัวนี้เอามาจากใบลานักษรของตัวใบลานักษรของเนี่ยไม่ใช่ขอมทําแต่คนไทยทําทำทําเมื่อปีสองสามสามหนึ่งสมัยราชกาลที่หนึ่ง 1> ร .1 เนี่ยนิมนต์พระมาสองร้อยกว่าลูกนะทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ยังมีอยู่ไหมปัจจุบันนี้คือวัดมหาธาตุยิวราชลังเสิบ ป, ปัจจุบันที่อยู่ที่กรุงเทพนะร .1 ก็ให้พระมาประชุมกันเพื่อลอกพระบิดฎใหม่โดยร .1 ไปยืมจากประเทศลาวกับประเทศรามันมาเพราะอายุธยาถูกเผาหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีหลักฐานทางพุทธศาสนา ก็เลยขอให้พ้าช่วยลอกใหม่ก็ใช้เวลาลอกอยู่ห้าเดือนรอหนึ่งไปดูทุกวันรอหนึ่งไปถวายอาหารพระสองรอกว่าลูกในเวลาเช้าถวายน้ำปานาในตอนเย็นตลอดเวลาห้าเดือนงานนี้จึงเสร็จนะก็เป็นใบลานหลักฐานนี้ถูกเก็บไวท้ที่หอมันเทียนทำที่ว่ากรแก้วนะทุกคนไปดูได้นะนะหลักฐานยังมีอยู่ ดังนั้นเวลาอักษรขอบเนี่ยก็ออ่ถูกเก็บมาจนกทั้งถึงยุคร้อห้าลอห้าก็เลยมาปัดฝุ่นเปลี่ยนเป็นอักษรสยามาดังนั้นตัวนี้จึงเป็นตัวแรกพระตถาดกทุกรุ่นต้องไปอ่านตัวนี้นะดังนั้นเวลาพระตถาดกถูกผิดอะไรกลับมาดูที่ตัวนี้ว่าอันเนี้ย ไปเติมใหม่หรือเปล่าพิมพ์ผิดหรือเปล่านะลอกมาผิดหรือเปล่าพวันลอกเข้ามาต้องมาดูตัวนี้นะอ่านะนั้นเวลาอย่างคําว่า 84% ดหมพันระธรรมคัร์เนี่ยยงจะหาในตัวนี้ไม่เจอแต่ไปหาเจอในตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ไปเพิ่มเติมขึ้นถูกต้องไหมอ่านะไปเจอในตัวนี้แสดงว่าไปเพิ่มเติมขึ้นนะเนี่ยเช็ค ง, ง่ายๆคือเช็คตัวตัวต้นเลยดังนั้นที่ เขาบอกจะมีการทําพระไตรปิฎกใหม่เลยไม่ต้องไปสนใจใครอยากทําใหม่ก็ทําไปเราเอาของเก่าของเก่าดั้งเดิมที่มันยังไม่สังคมมันมันยังไม่ถูกแปลสภาพมากเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่นะแต่ก่อนเขาก็ยังพยายามคงความจริงเอาไว้นะก็ <c oughs> ทีนี้เมื่อสาไปถึงราชการที่หนึ่ง รหนึ่งยืมจากประเทศลาวประเทศรามันเขาก็เคยยืมของเราไปเวลาประเทศเขาล่มสลายเขาก็ยืมเราไปเวลาเราล่มสลายเราฟื้นฟูน ข, นขึ้นมาใหม่เราก็ยืมเขามาลอห้าเนี่ยก็ได้บันทึกตรงนี้เอาไว้ว่าเนี่ยผลัดกันยืมกันไปกันมาอย่างเนี้ยประเทศในแถบสุวรรณภูมิดังนั้นประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยนะพระเจ้าก็ไม่ได้เกิดที่นี่เอามาจากไหนอีกนะถอยไปก็คือเอามาจากยุค พ, พระเจ้าโศกมหารานนะ นั้นพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยที่อินเดียเนี่ยนะเล่มที่จะเสร็จต่อไปนะในนี้จะทำเป็นทไทม์ไลน์ไว้ให้นะเริ่มจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมาที่พระเจ้าโศกซึ่งหลักฐานยังมีคือเสาหินโศกนะยมอไปอินเดียจะเห็นเสาหินโศกอยู่ ในเซาหินโศโเนี่ยแจ็คถูกแกะสลัดด้วยอักษรพราหมีภาษาประจิจซึ่งโยมเข้าไปในพิ พ, ธพิธภัณฑ์ของประเทศอินเดียจะเห็นว่านี้คือต้นกําเนิดของอักษรอินเดียในปัจจุบันเขาจะมีมาเลยตอสอนนี้มันพัฒนาอย่างนี้อย่างนี้เหมือนหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามของเราก็พันกว่าปีถูกพัฒนามาอักษรเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างยังไงบ้างถ้ายมเคยไปเห็นโฉนดที่ดินในสมัยรัชกาลที่5ภาษาก็เป็นแบบหนึ่งมันถูกปรับปรับปรับ ป, บปับมาเรื่อยๆ น ะ, ะเหมือนกันจากพระเจ้าโศกเนี่ยเราข้ามมาถึงนี่เลยจริงๆก่อนมานี่มันก็มียุคทวารวดีมีอะไรต่ออะไรนะเรเอาเด่นเด่นที่เราเห็นชัดก็คือข้ามา 1, 2, 3, 3, 1, ามายุครลอหนึ่งปี2 3 3สสข้ามมายุครลอ5ข้ามาปัจจุบันคือหนังสือเล่มนี้ น, เ น, นะเพราะ น, นั้นความต่างก็คือในนี้ในนี้ยังมีคำสาวกอยู่ด้วย นะยังมีคำสาวกปนอยู่ด้วยเพราะนั้นในเนี้ยมีคำพู้เจ้าทั้งหมดและมีคำสาวกปนอยู่ด้วยทนะ่านผู้ท่านเคยทำมาแล้วจากหนังสือห้าเล่มจากพระโอตฐ์เนะดู5้าเล่มจากพระโอต นี่คือหนังสือห้าเล่มจากพระโอษฐ์ที่หยิบขึ้นมาห้าเล่มจากพระโอษฐ์ที่ท่านพุทธทาทำเอาไว้ในช่วงชีวิตของท่านท่านทำได้ห้าเล่มนะเฉพาะที่เป็นคำของพระศ า, าสดาท่านพุทธทาใช้หลักฐานจากอะไระใช้หลักฐานจากตัวนี้ก็มาตัวเดียวกันหมดน ะ, นะท่านพุทธ่าทำห้าเล่มเนี่ยนะ ส่านทาธรรมห้าเล่มตัวนี้ก็แปลมาจากตัวนี้ดังนั้นทุกสำนักเนี่ยใช้ตัวนี้หมดเลยนะอย่าลืมว่าตัวนี้มีทั้งบาลีสี่สิบห้าเล่มและไทยสี่สิบห้าเล่ม น, นะ น, นี่ยกมาให้ดูอันเดียวอันนี้จะเป็นตัวบาลีนะาบาลีอักษรสยามนะ อ, อผลงานท่านรุษ ธ, ธาตที่เป็นพุทธวจนะจะมีห้าเล่มแค่นี้อย่างอื่นคือท่านแต่งเองนะก็หลักการเดิมของพรุทธเจ้าคืออย่าไปฟังอย่าไปศึกษาคําที่คนแต่งใหม่จะเป็นใครก็าตามไม่ใช่พระพุทธเจ้าน ะ, ะสิ่งที่ให้อ่านคือตัวนี้น ะ, ะข้อมูลเหมือนกันกันกบตรงนี้ เพียงแต่เอาคำสาวกออกให้เหลือแต่คำพระเจ้าแต่ท่านพ่ทธานเนี่ย <c oughs> ดึงมาเฉพาะด้านอริสัตตสี่นั่นคือท่านไปอ่านสี่สิ้าเล่มแล้วดูว่าตรงไหนเป็นเรื่องอริสัตตสี่บ้างก็รวบรวมมาได้เป็นอริสัต์จากพระโอษฐ์ภาคต้นภาคปลายสองเล่มอย่างนี้นั่งอ่านในนี้สี่้าเล่ม อันไหนเป็นปฏิจจสุบาร์รวมมาได้หนึ่งเล่มอย่างนี้นะเข้าไปนั่งอ่านระหว่างที่เก็บอารยสัตว์นะเก็บประวัติของผู้เจ้าได้อีกคือหนึ่งเล่ม น, นี้ประวัติที่ผู้เจ้าเล่าออกจากปากของท่านเองไม่เอาจากปากคนอื่นนะอันนี้ท่านเล่าเองพระเวสสันดรเป็นยังไงผู้เจ้าเล่าไว้แค่ไหนเอาแค่นั้น ไม่ใช่นังสือพระเวสสันดรที่แต่งกันเป็นร้อยๆหน้าเดี๋ยวนี้นะแต่งเองนะอ่าแล้วท่านไปเจออีกระหว่างที่ท่านทำผลงานพวกนี้ท่านก็ไปเจอคำพุทธเจ้าที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนพิสุโอ้โหแบบรุนแรงมากเธอเป็นคนเน่าในเปียกแะมีสัญชาติหมัก ม, มมเหมือนบอ่ขอขยะมูลฝอยโอโ้อัดพิสุแบบหนักเลยท่านก็เอะพุทธเจ้าพูดขนาดนี้เลยนะเนี่ยลองรวบรวมมาซิได้หนึ่งเล่มใหญ่ เป็นเนื้อธรรมะจากนั้นท่านก็ให้ชื่อตรงนี้ว่าขุมทรัพย์จากพระโอรสเพราะพู้เจ้าตรัสว่าผู้ที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาดเราอยู่เสมอไปคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์แหละให้คบบัณฑิตที่เป็นชนั้นนะเมื่อคบบัณฑิตชนิดนั้นอยู่จะมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย <c oughs> ดังนั้นในห้าเล่ม น, นี้ จึงมีแต่คำพระศัสดาทั้งสิ้นที่อยู่ในนี้น ะ, ะแต่ดึงมาเฉพาะเรื่องที่ท่านสนใจคือท่านสนใจเรื่องอะเลสสันสนใจเรื่องปฏิจจสุปะสนใจเรื่องประวัติแล้วก็คำขนาบภิกษุซึ่งในยุค ข, ของท่านพุทท่านนั้นไม่มีใครพูดเรื่องปฏิจจสบูบาทนะจึงเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ท่านผูทานเอามาพูดน ะ, ะพูดแล้วคนไม่รู้เรื่อง เราไม่เคยมีพระคนไหนถ่ายทอดเรื่องปฏิจจสุบัติซึ่งเป็นเรื่องหลักที่ผู้เจ้าสอนเพราะมันคืออริสัตสีนั่นเองนะมันคืออริสัสยสีที่ลงรายละเอียดในส่วนสมุทัยกับ น, นิโรธเหตุเกิดของความตายกับเหตุดับของความตายอย่างละเอียดและเป็นอาการในจิตของพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะที น, นี้แต่ <c oughs> อาตมา ก็ได้ศึกษาจากห้าเล่มนี้แค่นั้นแหละน ะ, ะศึกษาจากห้าเล่มนี้นั้นจริงๆแล้วโยมเนี่ยศึกษาห้าเล่มนี้ก็เพียงพอเพราะโยมจะได้รู้อริสสสี 4, ทั้งชีวิตของพู้เจ้าครบแล้วปฏิจจะทั้งชีวิตครบแล้วแค่นี้ก็เหลือเฟือต่อการหลุดพ้น ใช่ไหมอ่ะนยมไปดูนะหนังสือสาภภเนะี่ยที่ปุงแต่งกันน้ำใหญ่กว่านี้นะหนากว่านี้เป็นร้อยๆ้อยเล่มนะแต่ยมอ่านแค่ห้าเล่มนี้คือจบกระบวนยุตแล้วนะสุดยอดวิชาแล้วไม่มีอะไรที่ยมจะไม่รู้อีกแล้วนะเพียงแต่ยมเก็บไม่หมดแค่นั้นเองนะอ่าใครจะเก็บได้แค่ไหนเพราะนี่คือภูมิปัญญาทั้งชีวิตของผู้เจ้า และไอที่เห็นแค่เนี้ยมันไม่แค่นี้โยมอ่านไปร้อยเที่ยวก็ได้ร้อยเที่ยวมันจะมีความลึกความลึกในข้อความในคําในบทพันะนั้นๆ น, น, นะมีความลึกซึ้งอย่างเป็นระบบพ <c oughs> <c oughs> ู้ชายถึงตัดว่าคำของพระองค์เนี่ยเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำนะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลคุตระนะคำพูดเหล่านี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารคําพูดที่ประกอบด้วยปาฏิหาร และนี้แหละคือพระาศาสดาแทนพระองค์ต่อไปโดยการล่วงไปแห่งพระองค์นะทมและวินัยที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่โบสถ์วิหารไม่ใช่อะไรนะเนื้อธรรมะซึ่งจะอยู่ในการทรงจำของมนุษย์ท่านี้อย่างจากพระโอษฐ์เนี่ย ก็มีคนออกมาให้อตมาตั้งหลายปีแล้วนะอตมาก็ไม่อ่านเหมือนกับพวกเราว่าอตมาก็นั่งอ่านคำสาวกมาตั้งแต่ปีสองสองสองห้าสองสองนะอายุสิบหกเข้าวัดแล้วก็นั่งอ่านคำสาวกมาเลยพอบวชมาแล้วก็ก็ยังไม่สนใจคำพูเจ้าไม่รู้จักนะก็คิดว่าศึกษาครูอาจารย์มากพอสมควร นะแต่ก็ยังไม่เจอครูอาจารย์ไหนที่รวมเนื้อแท้นะอพอพรรษาประมาณพรรษาที่สี่ก็เลยลองหยิบมาอ่านดูปรากฏว่าเอ๊ะมันคาพูะเจ้าทาั้งนั้นเลยเนียนะ่ก็เลยตะลุยนั่งอ่านหกเตือนไดนะ้ก็เลยเริ่มจับประเด็นได้ในแต่ละอนันแต่ละอันเรื่อย และเมื่อ น, นี้คือคำผู้เจ้าทั้งหมดแล้วมีอะไรอีกที่มันจะต้องไปรู้เกินกว่านี้มันไม่มีละขอให้เราศึกษาอยู่แต่ในนี้มันก็คือสุดยอดแล้วและในเมื่อผู้เจ้าก็สั่งแล้วว่าห้ามสาวกบัญญัติคำขึ้นใหม่ห้ามบัญญัติเพิ่มหรือเพิ่มถอนดังนั้นคำสาวกคุณไม่ต้องพูดเลยนะหมดสิและเราก็ไม่จําเป็นต้องไปฟังด้วยเว้นแต่สาวกพูดคำพระศาสดา ข, ขึ้นมานั่นแหละใช่นะ ดังนั้นที่สาวกพูดกันทุกวันนี้อนิจจังทุกขันธตาไม่ใช่คําของเขานะคำพระาศาสดาอย่าไปสําคัญผิดว่าเป็นคําของหลวงปู่นั้นหลวงตานี้ไม่ใช่คําพระตถ า, าคตและถ้าหลวงปู่หลวงพ่อหลวงอาหลวงตาอะไรพูดผิดนะต้องเอาไปตรวจสอบกับคําตถาคตท่านจะ ถ, ถูกหรือพูดผิดไม่รู้เทียบเคียงกับคําตถาคตเสก่อนนะถ้าถูกพระเจ้าบอกให้จําไว้ถ้าผิด ให้ทิ้งคำของท่านไปนะ อ, อย่าสืบต่อเป็นอย่างนี้เล่มนั้นมีกี่เล่มมาใน45ิปี่สี่สิบห้ามีสี่สิบห้าเล่มไม่มีมีไม่กี่ที่นะมันสูญหายมาลายหายสูญหมดแล้วก็เอาไปไม่ได้ศึกษาไปเก็บจนผุพันเนี่ยนี่ยืมเข้ามาซ่อมให้ นะจะซ่อมหนังสือให้เขานะทา น, นี้แล้วตัวนี้ปรากฏขึ้นมาได้ยังไงก็เลยเนื่องจากว่าห้าเล่มเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่คำของพู้เจ้าทั้งหมดทั้งชีวิตนะคำทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ในนี้สี่สิบห้าเล่มนะก็เลยเริ่มทำใหม่ เริ่มทําำหม่ทํามันทั้งหมดเลยเอาละตลอดชีวิตของพระพุทธพูดอะไรไว้ขอรวบรวมก็เลยเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะซึ่งหนังสือเล่มนี้จะไม่ดึงมาเฉพาะบทธรรมแบบของท่านทุทานละเอาทั้งหมดทุกบทธรรมทุกรูปแบบที่มีอยู่ในนี้เอาหมดและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คเล่มต่อเล่มตรงกันถ้านี้เล่มหนึ่งนี่ก็เล่มหนึ่ง หนึ่งสองสองตรงกันเป๊ะหมดนะดังนั้นใครที่บอกพระไตรปิฎกฉบับวัฒนาปากพงไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะทั้งหมดคือเนื้อหาจากฉบับสยามรัฐทั้งบาลีและทั้งไทยนะเพียงแต่เอาคำที่แต่งใหม่ออกดังนั้นคำที่แต่งใหม่เขาก็แยกไว้ให้แล้วในทุกเล่มอย่างนี้เขาก็แยกไว้ที่เขาเขียนพระสูตรและอัตกถา ก็เอาอัตถกาถาที่เขาแยกไว้เนี่ยเอาออกไปนะให้เหลือแต่พระสูตรแค่นั้นเองง่ายๆอย่ยาเอามาปะปนกันเพราะเวลาโยมเปิดอ่านมันจะงงะนะกว่าจะหาคำพุทธเจ้าเจอโยมอยากจะอ่านแต่คำพุทธเจ้าแต่เปิดมาเจอคำพุทธเจ้าไป1 ห, หน้าอา้าวเจอคำสาวกปีห้าสิบหน้านกว่าจะมาเจอคำพุทธเจ้าอีกทีนหน้าที่5้อ่านคำพุทธเจ้าอีกสหน้า อธิบายไปอีกหนึ่งร้อยหน้าโอ้โห อ, อ, อะไรกันเนี่ยนะมันเป็นสไตล์นี้นะอืดังนั้นกว่าโยมจะสาวหาเจออ่านไปเจอหน้าหนึงโยมก็ต้องถอยไปเอออันนี้คำผู้เจ้าหรือคําสาวกนะถอยไปเก้าสิบหน้าเพิงรู้ว่าอ๋อนี่คําแต่งใหม่อย่าไปอ่านโอ้โหหมดเวลาไปละครึ่งชั่วโมงอย่างเนี้่ยมันเสียเวลาไงนะนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมท่านุู้ท้าพยาพยามรวบรวมคำผู้เจ้าออกมาน ะ, นะ และเราก็เลยทำอย่างนี้เพราะเราเห็นพุทธประสงค์ของพูะเจ้าที่ลึกไปกว่านั้นก็คือในพระสูตรนี้ว่าอย่าฟังคำสาวกหรือคาที่แต่งใหม่ให้ฟังแต่คำตถาคตนะเพราะว่าท่านรู้ท่านก็แต่งหนังสือของท่านเองร้อยกว่าเล่มเหมืนอนกันเป็นร้อยเล่มนะเพราะท่านไม่ได้เจอประเด็นนี้ไงแต่ท่านเจอประเด็นใหญ่อันหนึ่งก็คือเรื่องปฏิจจ์ใช่ไหดังนั้นสาวกแต่ละคนเนี่ย เจอประเด็นของผู้เช้าไม่เท่ากันไม่เหมือนกันท่านพุทธาติย่างท่านจะสรุปไว้ในปฏิจกอลิสสารภาคปลายเนี่ยในท้ายๆเนี่ยนะว่าท่านได้เห็นประเด็นอะไรบ้างอย่นเนี้ยท่านก็โน้มอเอาไว้นะเป็นร้อยร้อยแง่มุมเหมือนกันนะอ่า นั้นสาวกแต่ละคนเมื่อศึกษาคำพูะเจ้าก็จะเก็บประเด็นไปได้ไม่เท่ากันบางคนอาจได้300แง่มุม50แง่มุมร้อยแง่มุมแล้วแต่แง่มุมใดที่มันเป็นเรื่องสําคัญที่เป็นประเด็นขึ้นมาอย่างอาตมาเก็บประเด็นนี้ได้โอ้เป็นประเด็นใหญ่นี่เพราะว่าหนังสือทั่วประเทศมันคาแต่งใหม่ทั้งนั้นเลยนะแต่หนังสือที่เป็นคําศาสดาล้วนกลับไม่มีมันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาซึ่งมันกลายเป็นจะต้อง หรือระบบการเรียนการสอนในพุทธศาสนาใหม่นะแต่รื้อใหม่หรือตามใครรื้อตามพระศ า, ศาสดาไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ครึกฤทธิ์เลยไม่ต้องไปยุ่งเลยอาจารย์ครึกฤทธิ์เนี่ยยมกลับมาหาผู้เจ้านะอ่ากลับมาศึกษาแต่คํำผู้เจ้าอย่างนี้คืออย่าไปกลัวอย่าไปแยง้งอย่าไปยกผู้เจ้าสูงเกินจนบอกว่าอย่าไปศึกษาเป็นแค่ทฤษฎีอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นคํำผู้เจ้านี่แหละสมควรที่จะเข้าไปศึกษา สมควรที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติโดยตรงเหมือนโยมอยู่ในครัง้งวุฒการโยมจะไปกราบใครถ้าเจอผู้เจ้านั่งอยู่ก็ต้องไปหาพระผู้เจ้านะดีที่สุดนะไม่ใช่ไปหาคนอื่นถึงโยมจะไปหาสาวกคนอื่นก็ตามถ้าผู้เจ้าอยู่ปุ๊บเขาจะดันไปให้หาผู้เจ้าเหมือนภิกษุไปหาพระมหากัาบจานะซึ่งเป็นพระลาหน์นะจะขอให้อธิบายคาที่พระเจ้าพูดไปสั้น ถ้มามหากาจเจ้าบอกท่านอย่าพลาดแล้วอยากสสแสวงหาแก่นไม้ดันเลยมาถึงกิ่งอ่อนยอดอ่อนนะท่านนี่บอกโอ้ท่านนี่นนมันไม่มีอะไรไม่ใช่นะ <c oughs> คือความเป็นพระหลานไม่ใช่สัพพัญญูโยมความเป็นพระหลานสาวกเนี่ยบัญญัติอะไรไม่ได้นะการจะพูดอะไรขึ้นมาก็ตามจะต้องให้พระสัสดารับรองคําพูดก่อนอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่า เพราะการกำหนดบทพณน์ในธรรมะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากขนาดพระศาสดาพระองค์ยังบอกพระองค์ยังต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งจึงต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวมันเป็นเรื่องยากที่จะพูดอย่างไม่มีรูรั่วไม่มีช่องโหว่ไม่มีข้อผิดพลาดและจะต้องเป็นอาการลิโกใช้ไปได้ตลอดการมันไม่ใช่เรื่องหมูที่ใครจะทากันได้ โยมต้องทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่อหรหันตสาวกไม่มีใครทําได้พระศาสดาจึงบัญญัติไว้ในอภิริหารนิธรรมว่า <c oughs> ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจกไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจกไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วเห็นไหมเน้นเลยคุณจะเป็นพระอรหันต์เลิกทางปัญญาเลิกทางฤทธิ์อะไรก็ตามบัญญัติไม่ได้นี่รู้หลักการไว้ก่อน นั้นเราก็เลยทำนะข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งความพิเศษก็คือเป็นสองภาษาทั้งบาลีและภาษาไทยซ้ายบาลีขวาไทยและในคู่หน้าเดียวกันเนี่ยหัวข้อจะตรงกันนะเพื่อให้โยมตรวจสอบคำแปลได้ว่าคำแปลนี้สำนวนเขาแปลยังไงนะถูกต้องไม้อะไรไม้ตรวจเช็คจากต้นต่อได้ ดังนั้นบาลีนี่ก็คือของฉบับสยามรัฐที่เป็นภาษาบาลีตัวภาษาไทยก็คือฉบับสยามรัฐที่เป็นภาษาไทยแค่นั้นเองไม่ใช่ฉบับวัฒนาปาพคงนะเข้าใจตรงนี้นะจัดระเบียบใหม่เท่านั้นนะเขาผิดเราก็ผิดด้วยนะเราไม่ไปแก้สูงดว่วเขาตกอ้ออ่างก็ตกด้วยเหมือนกันนะเพียงแต่ทาเชิงอ่านข้างล่างไว้ว่าตรงเนี้ย น่าจะตกอ้ออ่างนะอ่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าในบาลีใช้คําว่าอาเสขะปรากฏว่าในภาษาไทยไปบอกว่าพระเสขะอ่าไม่ใช่แล้วมันไปคนละเรื่อง เ, นะอ เ, อเขขนี่ยนะอ่ะเสขากับเสขาเนี่ยพระหันกับพระอันนี้บุคคลขั้นต้นเนี่ยหลุดพ้นก็นยังไม่หลุดพ้นเนี่ยเราก็ทําเป็นเชิงอัดกันไว้ง่ายๆดังนั้นตัวอย่างของความผิดหรือข้อผิดในฉบับสยามละเรามีเยอะนะ แต่เป็นตัวอย่างที่ก็เป็นความผิดที่เห็นชัดๆแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่คนทนําหนังสือย่อมผิดได้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ตัวอะไรนะอ่าเพียงแต่พอแก้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนความถูกต้องขึ้นแต่เนื่องจากเราไม่มีหน้าที่ไปแก้ตรงนี้เราก็ทําเป็นเชิองอัดไว้เฉยๆเนื้อในผิดก็ผิดไปนะไม่เป็นไรให้ทราบอย่างนั้นเวลาโยมไปเจอข้อผิดนะหรือว่าเขาสะกดผิดในเนี้ย แล้วนะก็สะกดผิดตามเขาด้วยเราก็จะใส่เชิองอัดไว้ในภาษาไทยว่าตรงนี้น่าจะสะกดผิดอย่างเนี้ยอ่าไม่ไปแก้ดังนั้นเพื่อให้ <c oughs> โยงสบายใจว่าอาตมาไม่ได้ไปแก้อะไรอาตมากับทีมคณะสงฆ์ไม่ได้ไปแก้อะไรตัวนี้นะอะเพื่อเห็นชัดตรงนี้นะผิดว่าตามผิดอืให้เข้าใจหลักในการทําตรงนี้นะอ่อ นี่คือที่มาที่ไปซึ่งมองดูแล้วนับว่าเป็นโชคดีหรือเป็นบา ร, รมีของพระาศาสดาที่มีผู้นำประเทศแต่ละยุคเนี่ยศรัท ธ, ธาพระาศาสดาศรัท ธ, ธาอันอย่างลงมั่นนะแล้วก็คิดว่าต้องปกป้องรักษาคำพระาศาสดาจึงช่วยกันคุ้มครองรักษาแล้วก็พยายามไตทอด่ายทอ ด, าทอ ด, าทอด่ายทอดกันมา จนเป็นหลักฐานทุกวันนี้เราจะได้ทราบว่าคำาศาสดาไม่ได้สูญหายนะมันอาจจะหายขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่แค่นี้ก็มากพอแรงอยู่นะอะแค่นี้ก็มากพอต่อการหลุดพ้นเพราะพูะุทธเจ้าบอกแค่บทเดียวก็หลุดพ้นได้แล้วน ะ, ะนะันถ้าใครต้องการความลึกซึ้งก็เสร็จคบให้มากอ่านให้มากแต่ถ้าใครต้องการบอกผมความจาไม่เคยดีขอบทเดียวได้ นะจําอนิจจังตัวเดียวก็ได้พระศาสดาตรัสไว้เองว่าถ้าผู้ใดเนี่ยมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คือพระอาหารหันต์ในปัจจุบันเห็นไหมยมรู้คําไม่เที่ยงอย่างเดียวรู้ให้มันลึกซึ้งเถอะอะไรมันไม่เที่ยงบ้างตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงนะลิ้นกายใจอารมณ์ต่างๆไม่เที่ยงมีการแปลเปลี่ยนนั่นนาะยมหลุดพ้นได้แล้ว นะเ้าใจไนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปแยงคําพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่ามองว่าสองพันกปีวูมันไกลมากไม่ไกลพอเราสาวหลักฐานตรงนี้โยมมองแนละ้ไม่ไกลล้นะทุกอย่างมีหลักฐานที่มาที่ไปหมดนะมไม่ได้ลอยๆมาและพระเจ้าโศกเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยปีหลังพระเจ้าปกรณิพันธ์รุ่นปู่อย่างเงี้ยพ่อปู่ใช่ไห ตีซะคนละร้อยปีนะมันก็มีหลักฐานอะไรที่พอเห็นชัดเจนนะพระเจ้าโศกก็มีความศรัทธาในรพระพุทธเจ้าของเรานะก็เลยประกาศศาสนาเนี่ยกระจายไปเก้าตำแหน่งทั่วโลกแต่คือไม่ทราบว่าพระเจ้าโศกเนี่ยนำหลักฐานมาอย่างไรไม่รู้จะเป็นการทรงจำใบลานหรือแบกเสาหินมานะไม่รู้นะ อ, อ แบกหินนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะโยมเพราะว่าโยมไปดูประวัติการสร้างปิรามิดบริเวณรอบๆนั้นเป็นร้อยร้อยไม้เนี่ยไม่มีหินแบบนี้ต้องเอามาจากที่อื่นขนมายังไงณนะวันนี้ยังไม่ทราบปิรามิดสร้างยังไงนะประเทศญี่ปุน่นประเทศไลายา ก, กรอนพยายามสร้างพิรามิดจาลองสร้างไม่ได้ไม่สำเร็จยากมากเป็นการสร้างที่ยากมากนะ การวางหินต่างๆเป็นระบบทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยนะหินต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะและหินประเภทนี้ไม่มีในแถบนั้นเขาก็งงว่ามันเอามายัางไงก้อนนี้กยักษ์เป็นสิบสิบตันสามสิบตันสี่สิบตันใช่ไหมเอ่อคนไห่ก่อนก็มีอะไรแปลกๆให้เราได้ได้คิดเหมือนกันนะเออดังนั้นก็แต่ก็ให้ทราบว่าตรงนี้ก็คืออามาจากพระเจ้าโส และหลักฐานตรงนี้โยมจะไปเจอที่ไหนในโลกมันตรงกันหมดที่ว่าเช่นล่าสุดไปเจอในถ้ำในอัฟก า, านิสถานะที่ตาลิบันระเบิดป้อมเจ้าูปแล้วไปเจอถ้าข้างในนักโบราณคดีเข้าไปเจอเศษซากใบลานเศษซากใบลานเป็นพันพันหมื่นหมืชิ้นเนี่ย <c oughs> มีรอยเขียนอยู่ในนั้นก็เลยนักประวัติศ า, าสตร์ก็เอามาต่อกันเรียกนักภ า, าษาศาสตร์มาดวโลกมาช่วยกันแปลสิ ในนี้เขียนอะไรพอต่อเป็นแผ่นใบลานได้แล้วมีอักษรเขียนเรียงกันทั้งหมดแปลออกมาเนี่ยปรากฏว่าตรงกันกับฉบับสยามรัฐของเรานะเป็นการสอนเรื่องปฏิจจสุบาทเรื่องของอบายมุขหว่าอริยสาวกเนี่ยไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคข้าหทางคืออย่างไรเล่าข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภค การเที่ยวตามสอกซอกซอยในเวลาวิการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานะการเล่นการพนันคบมิตรชั่วความเ ข, ขตุขานตรงกันหมดเลยดังนั้นถ้าเป็นพุทธวจนะแล้วจะตรงกันนะก็โยงมาถึงถ้าประเทศไทยพระทุกรูปเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตวัดในประเทศไทยจะไม่มีสายไม่มีนิกายนะนิกายก็แต่งขึ้นใหม่ สายป่าสายบ้านสายนั้นสายนี้ก็แต่งขึ้นใหม่นะทุกคนยกอาจารย์ตัวเองนะเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าเลยลืมพระพุทธเจ้าน ะ, ะเพราะนั้น <c oughs> การที่จะไม่ลืมพทธเจ้าคือต้องไปใช้คำของท่านนะหลายวัดมีพระจะพิสดกแต่ล็อกตู้เอาไว้น ะ, ะพระที่มาฝึกที่นี่20กว่าวัดนะ บอกว่าเจ้าวาดล็อกตู้ไว้บอกอย่าไปศึกษาคำสูงนะอย่างนี้อ่าก็เลยพระไม่ได้ดูสักทีพระรูปนั้นบอกผมต้องเอาไขควงไปแง่ฝาตู้อยากจะรู้ว่าผู้เจ้าพูดอะไรนะอ่าแล้วพอใครไปศึกษาก็จะถูกว่าว่าเป็นนักทฤษฎีนะอ่าผู้เจ้าพูดแต่ทฤษฎีเอามาปฏิบัติไม่ได้นี่คือดูถูกศาสดาตัวเองใช่อ่า พระบรุทธ้าเนี่ยสอนปัญจวัคคีย์ห้าคนแรกเนี่ย <c oughs> นะคำพูดของท่านทำให้คนเป็นพระอรหันต์ทำให้คนได้ดวงตาเห็นธรรมนะทฤษฎีของท่านคือกลั่นออกมาจากการปฏิบัติคำพูดของท่านแต่ละคำนั่งสมาธิยังไงพูุ้ทธเจ้าก็ต้องบอกพระองค์ทำอย่างไรพระองค์ก็ต้องสอนปัญจวัคคีย์ทำอย่างนั้นถ้าพระองค์นั่งรู้ลมหายใจก็ต้องบอกปัญจวัคคีย์รู้ลมหายใจนะ จะอธิบายยังไงให้ปัญจวัคคีเข้าใจแล้วทําให้เหมือนกับที่ตัวเองทําและได้ตัศลูถูกต้องไหมถ้าโยมมโนภาพว่าโยมเป็นผู้เจ้าเองโยมก็ต้องทําอย่างนั้นเออเราจะพูดยังไงนะเรานั่งรู้ลงหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างนี้เราจะอธิบายยังไงให้มันเหมือนนะพระองค์ก็จะเริ่มตั้งแต่อภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้า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 จะไปแต่งใหม่ไหมไม่ก็ต้องจำมาตรฐาคตสอนอย่างนี้นะหายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออสั้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่า <c oughs> อย่างวันนี้มีการท่องคำบริกรรมแต่พระศาสนาไม่เคยสอนดังนั้นถ้าพระองค์ไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมท่านจะพูดคำบริกรรมทำไมใช่หมเ <c oughs> มื่อท่านไม่พูดเราก็อย่าไปเติมอย่าไปใส่แค่นั้นเองนะ นั้นพอโยงมาถึงผู้เจ้าปรินิพานผู้ว่าเนี่ยไม่มีผู้เป็นสัพพัญญูมาตอบปัญหาเราแล้วนะแต่ท่านก็บอกแล้วว่าหลังปรินิพานเนี่ยคําของลุงสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอย่าเติมอย่าตัดนะทบทวนแล้วเพราะคำพระเจ้าเนี่ยสอดรับกันหมดถ้าเราไปเติมไปแต่งพวกมันจะเกิดการขัดแย้งกันน ะ, <c oughs> ะดังนั้นพระมหากัสสปาก็เลยรวบรวมพระ เพราะว่าพระทุกลูกไม่ได้ตามพระเจ้าไปตลอดเนี่ยโยมอาจจะตามไปสามสี่เมืองแล้วหมดแรงและพักโยมอีคนขอตามต่อไปอีกก็ได้ฟังทำต่ออีกแต่โยมไม่ได้ขาดไปละยี่สิบกสูญเนีอ่าคนนี้ตามต่อไปได้ไเพิ่มคนนี้ตามต่อไปได้อีกสามสิบกสูญแต่และคนจํามาได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่ขนาดมีฤทธิ์มีอะไรต่ออะไรทําไมจะต้องมาใช้บทภิษนาพูด ไม่ใช่ลิตรไม่เอานะใช้การทรงจำนะอ่าเพราะฉะนั้นพระมหากาัตรมองแล้วเอจะทำยังไงดีให้ศาสนาเนี่ยดำรงอยู่ได้ก็เลยขอรวบรวมพระหลานให้มากที่สุดได้มาห้าร้อยแล้วก็ช่วยกันสังกนาก็คือสวดขึ้ <No นมาในคำพระศาสดาโยมจำได้กี่พระสูตรสมมติโยมเป็นพระหลานรูปหนึ่งจ ได้เท่าที่จําได้โยมก็สวดขึ้นมาสมมุติมา50าระสูตรคนนี้ได้มาร0อยระสูตรอาจเกิดมาห้าสิบอ่ารูปนี้ก็จะจํา50บระสูตรที่เหลือน ะ, อะพอมาผ่านรูปนี้จําอะไรได้บ้างพูดขึ้นมาสิพูดมาได้20่ระสูตรแต่20่ระสูตรอาจจะไม่เหมือนที่โยมได้มาก็ได้ในหนึ่งกับใน50บใช่ไหมถ้าไม่เหมือนก็รีบจำซะถ้าเหมือนอก็ไม่เป็นไรซ้ํา พระหานรูปนี้พูดมาสิพูดมาได้สามร้อยโอ้ซ้ำไปแล้วร้อยห้าสิบอีกร้อยห้าสิบไม่ซ้ำออาช่วยกันจำ่า น, นี้ดังนั้นเมื่อพระหานทั้งห้าร้อยพูดมาปุ๊บมันก็จะจำได้ครบกันหมดนี่แหละเขาจำคำพระเจ้าไม่มีใครบอกนะคำสารีปุตพูดไปว่ายังไงนะไม่มีทุกคนจะบอกข้าพระเจ้าได้สะดับมาแล้วอย่างนี้ว่า รัฐาธาิปดแอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้นี่แหละะจากนั้นเนี่ยคําทั้งหมดตรงเนี้ยก็ถูกถ่ายทอดมาเรื่อยๆถ่ายทอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านมาสองพันกว่าปีนี่คือที่มาที่ไปยาวไหมฮะ สวนอะไรนะสวนปาติโมก่ะค่ะที่องสวนพุ่มเงินไม่ค่ะเป็นสิเป็นใช่ค่ะปติโมกเนี่ยคืออยู่ในส่วนวินัยคำที่ออกจากปากรศาสดาเนี่ยจะมีแค่สองส่วนธรรมะกับวินัยนะวินัยเนี่ยจะมีสามส่วนสัมปนะศีลานะกลุ่มที่หนึ่งสัมปนะปาติโมกขานะ ปัติโมฆาสังวรัตสังวุตาในกลุ่มที่สองคือปัติโมฆ์ที่โยมถามเนี่ยกลุ่มที่สามคืออาจารณโคจารสัมปนาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวต้องใช้ต่อเดี๋ยวเผื่อต้องใช้เดี๋ยวหยิบเข้าหยิบออกนะอะไรนะถูกต้องเป็นวินัยที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจารีเป็นวินัยในส่วนที่สําคัญ<อ>ที่ ต้องนำมาสวดทุกถึงเดือนถ้าภิกษุอยู่ตั้งแต่สรูปขึ้นไปในเขตสีมานัน้นๆะในเขตที่อยู่ของพระในอาวาสนั้นๆถ้าอยู่ตั้งแต่สีขึ้นไปพวกนี้ต้องสวดปฏิโมกข์แต่ศิลอีก2อกลุ่มนี้ไม่ต้องมาสวดนั้นพระก็จาผิดอีกนะคิดว่าศินตัวเองมีแค่2 2 7อเจ็ดข้อแต่จริงๆศีของพระมีเป็นพันพัอ มากกว่า 2,400 ข้อและมี3มกลุ่มกลุ่มแรกสัมปนาศีลาไม่ต้องเอามาสวดนะกลุ่มที่สองสัมปนาปติโมขาปฏิโมขาสังวรัสังมุตตาเนี่ยต้องเอามาสวดมีร้อยห้าข้อกลุ่มที่สอาจารโคจรัสสัมปันามีมากกว่าพันเข้อเนี่ยไม่ต้องเอามาสวดอีกเหมือนกันเป็นสินที่ว่าดด้วยมารยาทและโคจร เหตุในการบัญญตัติผู้เจ้าบอกว่าเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วเช่นมารยาทในการบินธบาตะไปเดินบิณธบาตเนี่ยให้มีสายตาทอดลงต่ำให้มีเสียงน้อยไปในละแวก บ, บ้านไม่ใช่เดินบินธบาตคุยกันกระมงโฉ ง, งเฉงเสียงดังไม่ควรนะอ่าอย่าเอาผ้าพกหัวนะ อย่าเดินไกวแขนอย่างนี้มารยาในการกินนะอย่ากินเสียงดังจับปุจับปุสุลุสุลุนะซัดนะซดน้ำแกงปุกฝากอย่างนี้อ่าอย่าฉันทําเมล็ดข้าวตกอย่าฉันทํากระพุ้งแก้มตุยแบบลิงนะกินเนื้อแก้มตุยอย่างนี้อ่าอย่าฉันเลียมืออย่าฉันเลียบาทอย่าฉันเลียริมฝีปาก อย่าทําคําข้าวให้ใหญ่นะักทําคําข้าวให้กลมกล่อมก็คือตักคําข้าวพอดีพอดีมารยาททั้งนั้นคนเห็นแล้วก็จะงดงามเกิดความลรื่มใสนะแต่พระอริบุคคลก็ยังบกพร่องศีลในกลุ่มนี้ได้นะอ่าเนี่ยศีลกลุ่มนี้เป็นศีลที่ละเอียดมีเป็นพันพันข้อดังนั้นให้เราเข้าใจว่าศีลพระไม่ใช่มีแค่2 27ม้อีเข้าใจกันผิด นะอ่าและสวดจริงๆก็สวดแค่ร <c oughs> ้อยห้าสิบนะอืมนี่เป็นเพราะเหตุว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษาคำพระศาสดามันก็เลยสับสนมาทั้งด้านธรรมละธรรมะแล้วก็วินยัยอ่าอย่างถ้าโยมไปปฏิบัตินั่งสมาธิตามวัดต่างๆเนี่ยนะแม้แต่จะในทั้งเอ่อ ในสายต่างๆที่กำหนดสายกันขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องสมาธิเคยได้ยินคณิก ะ, ะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิคำพวกนี้เพระาศาสดาไม่เคยบัญญัติน่แต่เราก็มาสอนมาเรียนกันยมเห็นการเดินจงกรมแบบยกย่องย่างอะไรอย่างนี้ไหมไม่รู้กี่จังหวะทํากันโอ้โหแทบจะทุกวัดในประเทศ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยลถอะไรบุกเข้ามาเ น, นเนี่ยอืมมีใครไปบอกหน่อยไหมนเนี่ยเอ่อมึองจะมาจอดตรงนี้นอนเน่นนเนี่ยนี่ขนาดเอาหินกันยังเรียวในซกซ็กซกซ็กเงยไนหะ เจ้าค่ะขออวการเจ้าค่ะ227ข้อสิ่งที่พระได้ถึอเนี่ยเป็นคําของพระพุทธเจ้าทุกเป็นคาของพระเจ้าทุกข้อนั่นแหละแต่เขาคัดมาใช่ไหมเจ้าค่ะจากหลายพันข้อนี่ะเจ้าค่ะก็นี่ปัญหาคือทำไมจะต้องจะใช่ก็ในเมื่อพทธเจ้าบอกสวดร้อยห้าสิกร้อยห้าสิบแล้วอีกพันเก้าร้อยว่าข้อไม่เอามาสวดหรอใช่ไหม ก็ไม่เอามาสวดทั้งหมดเลยละ่ะอย่างนี้อคือก็ไปจัดกลุ่มเอาเองในเมื่อผู้เจ้าจัดกลุ่มไว้แล้ววันนี้คือสินอันเป็นเบื้องต้นแห่งปรมจัจารย์ใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ต้องสวดอันนี้ไม่ต้องสวดอันนี้สวดก็เอาแค่สินพระมีกี่กลุ่มมีกี่ข้อยังไม่ทราบกันเลยนะใช่ไหมอ่าแต่จริงๆทุกอย่างก็มีอยู่ในตำลานี่เนะี่ยมีอยู่ในนี้หมดเลยโยมโยมไปอ่านก็เจอะทุกข้อวินัยประโยคปดเล่มเนี่ย มีครบหมดนะอนะ่เราทําวิจัยก็ได้จ้างคนมาเลยกลุ่มหนึ่งนั่งนับสินทั้งหมดของพระโยมจ้างไปเลยคนละหมื่นลงทุนใช่ไหมมีหน้าที่นั่งนับอนับไปนะดูซิจะได้กี่ข้อนะอาตมาให้พระทั้งวัด น, นั่งนับเลยมันจะได้หายสงสัยดูซิมีกี่ข้อโอ้โหเป็นพันพันข้อเลไรอยนะ่เยอะมากอนะเพราะนั้น นี่คือความคลาดเคลื่อนคือเราละเลยไงเราละเลยเรื่องในพุทธศาสนาอืมพอมีคนเอาเรื่องในนี้มาประกาศมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกแล้วหลักฐานในเนี้ยมันมันก็มีเรื่องไหลหลายเรื่องในเรื่องที่ยอมมองว่านี่คือมงคลแต่ผู้เจ้าบอกเดลฉานวิชาไม่ใช่มงคลอย่างเช่นการลดน้ํามนต์การปรมน้ํำมนต์ผู้เจ้าบอกนี่เดลสานวิชา สมณพามราหมณ์เหล่าอื่นเขาทากันแต่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องไม่ทําต้องเว้นขาดโอ้เป็นอีกเรื่องหนึงแล้วใช่ไหมนั่นเลยกลายเป็นพอเราไปเปิดดูเนะ่นะท่านรู้ท่าก็เหมือนกันท่านรู้ท่าก็เขียนไว้ในเชิงอัดของท่านที่ว่าความรู้ที่ท่านได้เพราะตัวท่านเองท่านก็คิดว่าสิลหพระมีสอง้อยิบเจ็ดพอไปอัดครับสิงหพระมีแค่ร้อยหสิบเหรอท่านก็นโนดเอาไว้นะอา่า <c oughs> เว้นกันนะนะ แล้วพอเราไปอ่านดูสัมปนะศีลาของพระภิกษุมีศีลสมบูรณ์เป็นอย่างไรซึ่งสัมปนะศีลาเนี่ยจะตัดเรื่องมิจฉาอาชีวะไปมากการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดอกเคราะห์การบนขอลาบผลต่อเทวดาการบูงสวงแก้บนต่างๆนี่เป็นเดรัจฉานวิชาหมดเลยและห้ามภิกษุ ร, รมเห็นไหมอ่าเนี่เราก็เลยต้องมาปรับใหม่ใช่ไหม อันนั้นหน้าที่คือพระเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองไองพระเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองแต่นี้อย่างพระที่ที่สวีเดนเนี่ยนะที่ท่านโทรศัพท์มายมลองเข้าไปฟังอาตมาเอาขึ้นเบสไว้ให้ฟังนะที่โยมเขาบอกเนี่ยถ้าท่านไม่ลดน้ำมนต์วัดอยู่ไม่ได้นั่นเองไม่มีใครเข้าวัด น, นะท่านก็บอกคืออาตมาอาจจะอดกด อ, อยากบ้างบ้างนะ แต่ศาสนาจะรอดนะแต่ถ้าจะมาลดน้ำมนเนี่ยอาตมาอาจจะอิ่มท้องอยู่นะแต่ศาสนาจะไม่รอดนะศาสนาจะเสื่อมไปเรื่อยลูกหลานเราก็จะเข้าใจผิดน ะ, นะเข้าใจผิดไปเรื่อยๆเพราะมันจะนำเราเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลซึ่งพระเจ้า บ, บอกโสดาบันต้องละให้ได้เรามาปฏิบัติธรรมเราอยากเป็นโสดาบันเราอยากมี วิชามีความรู้ตามที่ศาสดาสอน <c oughs> แต่เรากลายเป็นเข้าสู่วิชาทิติด น, นั่นมันต้องแก้พื้นฐานตรงนี้ต้องแก้หมดเลย <c oughs> คือไม่มีประโยชน์ที่จะเลี้ยงวิชาพวกนี้เอาไว้ไงสมมติรพระอยากจะทรงเอาไว้บอกแหมหน่อยนึงไม่ได้หรอคนนี้เขาสบายใจทาไปแล้วเขาสบายใจผู้เจ้าบอกว่าการยอมตนเพื่อ การยอมตนในความผิดเพื่อให้ผู้อื่นสบายใจเนี่ยมิจฉาอาชีวะพิกษจน์เนี่ยห้ามยอมตนเพื่อไปกระทำความผิดไม่ได้นะมันจะเข้าข่ายหมดเลยดัง น, นั้นผู้เจ้าพูดเนี่ยคำของท่านเนี่ยตีกรอบตีกรอบมาหมดพิกษุดิ้นไม่ได้เลยคุณจะดิ้นไปทางไหนผู้เจ้าถัดไว้ดังนี้จะมีหมดเลยดังนั้นในพระสูตรเนี่ยจะมีในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังจะบรรยายเรื่องมิจฉาอาชีวะเอาไว้ <c oughs> ว่าเป็นอย่างไรบ้างและตัวนี้ผู้เจ้าบอกธรรมะปรายายนี้ใครคัดง้างไม่ได้น ะ, ะใครคัดง้างจะถูกตาห น, นิแม้แต่ผู้กล่าวทำไม่ดีในครั้งกุทกาลยังไม่กลา้ายังไม่กลา้ลาติดเตียนเลยเพราะกลัวจะถูกตาหนิ น, นี่ก็เป็นเรื่องที่ที่พระเราต้องเปลี่ยนหรือแม้แต่การขบฉัน พอเราเข้าไปดูอีกกลายเป็นว่าผู้เจ้าเนี่ยให้ภิกษุเนี่ยฉั น, ฉนมื้อเดียวและก่อนที่ผู้เจ้าจะบัญญัติเรื่องการฉันมื้อเดียวเนี่ยสมัยก่อนภิกษุก็ฉันสา ม, มื้อบินถบาทสามเวลาคือมีทั้งผิดทั้งถูกให้เราเห็นไงนะว่าแต่ก่อนเนี่ยพระก็บินถบาทเวลากางค่ํากลางคืนบินถบาทเมื่อไหร่ก็ได้ตามสะดวกพอต่อมาผู้เจ้าสั่งประชุมสง์สั่งงดมื้อกลางวันพระฉันเช้าไปเย็นเห็นนะ มีขั้นมีตอนมาหมดนะั่นไม่ใช่ผู้เจ้าสั่งโหบเดียวงดเหลือเช้ามื้เดียวใหม่ศีละขยักทีละขยั ก, ยกประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้เย็ น, นคนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้เจ้าก็มีเช่นพระอุทายีไม่เห็นด้วยนะแต่ไม่ขัดการเพราะบอกว่านึกในใจว่าด้วยความรักความเคารพนายผู้เจ้าไม่สันก็ไม่สัน แต่ตอนหลังมาเปิดเผยกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าแต่ก่อนข้าพุทธิเนี่ยคิดอย่างเนี้ยนะอ่าคิดแหมโมโหพระพุทธเจ้ามากเลยทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเขามีศรัทธามาถวายอาหารเนี่ยตอนกลางวันตอนเย็นทําไมไม่ฉันนะแล้วอาหารตอนเย็นก็เป็นอาหารที่อร่อยนะอ่าเขาเก็บไว้ตอนเย็นเนี่ยมันมีรสชาติดีเลยตอนนั้นท่านก็บรรยายเยอะแยะในพระสูตรก็มีหมด <c oughs> <c oughs> แล้วมีตัวอย่างของ พระที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ตอนหลังตอนหลังมาขอขอมาพระเจ้าเช่นพระพัทลิก็แย้งพระเจ้าเลยนะว่า้าบลมทำไม่ได้พระเจ้าก็เลยบอกองางั้นพัทลิเก็บอาหารตอนเช้าไว้ฉันตอนสายแล้วกันพัทลิก็ยังแย้งอีกว่า้าบมก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีนะก็คือง่ายๆจะฉันสามมื้อเหมือนเดิมนะอ่ะ ผู้เจ้าก็เลยลุกจากอาสนะหลบหนีไปพิสูจทั้งหลายก็เลยตําหนิพระพัทธลิว่าทําไมกล้าไปแย้งผูเจ้าไปขอเข้ามาผู้เจ้าซะอ่าพัทธลิสําเนกตัวได้ก็เลยไปขอ ข, อขอมาพระศาสด า, าผูเจ้าก็เลยถามว่าเธอเป็นอริบุคคลบ้างหรือยังโสดาบันสกาทาคามีอนาคามีพระหลานพัทธลิบอกยังไม่ได้เป็นบอกเธอรู้ไหมอริบุคุณทั้งหลายเนี่ยแม้แต่ถาคต จะก้าวเท้าลงไปในหล่มโกลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเหมือนพระพุทธเจ้าพาไปลำบากแล้วกินสบายๆอยู่สา ม, มื้อพามากินมื้อเดียวนี่อัตตะ ก, กินปรานุโยโคหรือเปล่าไม่ใช่นั่นคือเขายังไม่เชื่อมัน่นพระพุทธเจ้าไงเห็นไหมดังนั้นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสออกมาแล้วคนที่ไม่เชื่อมัน่นมันขาดความเป็นโสดาบันทันทีนะเห็นนะอะขาดความเป็นโสดาบันคื อ, อยังไม่อย่างลงมัน่น ยังลังเลไงผู้เจ้าพาผิดหรือเปล่าว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ <c oughs> คนบางคนอ่านพระสูตรไม่หมดด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามก็บอกว่านี่พระฉันสองมื้อเพราะพัทธลิกสูตรที่อนุญาตให้พระพัทธลิเนี่ยอนอนุญาตให้พัทธลิเอาอาหารตอนเช้าให้ฉันตอนสายได้แล้วเขาก็ตัดมาแค่นี้เห็นไหมการเอาพระสูตรมาไม่คบ พอผู้เจ้าตอนนั้นอ น, อนุโลมพัทลิข์แค่นิดเดียวตรง น, นี้แล้วพรัทลิไม่เอาไงไม่เอาผู้เจ้าก็เลยหลีกไปเท่ากับพรัทลิก็ไม่ได้นิสงนี้ปิสุท์ทั้งหลายก็ไม่ได้นะเพราะบอกพัทลิรูปเดียวแล้วพรัทลิก็ไม่เอาด้วยอย่างนี้ก็เลยยกตัวอย่างให้ดูเพราะเมื่อสองสามปีก่อนมีคนยกมาในเว็บให้ดูเนี่ยผู้เจ้าอนุญาตพระพัทลิด้วยประโยคนี้พระเลยฉันสองมือได้ อแต่พระสูตรนี้ต้องสนับสนุนการฉันมือเดียวต่างหากถ้าอ่านเต็มทั้งพระสูตรเนาะเป็นอย่างนี้เนื้อที่มาที่ไปนะฮะเจอที่มาของคําว่าพุทธวจนะเนี่ยเป็นยังไงแล้วทําไมไม่ใช้คําว่าพุทธพจน์มันวลีมันสั้นกว่ า, า, าพุทธพจน์ทําไมไม่ใช้พุทธพจน์ก็พุทธพจน์ ก็เป็นคำไทยที่แต่งขึ้นใหม่อ่โะโยมนะก็คือ <c oughs> เราเนี่ยเอาคำมาแล้วมาม า, มาปรับภาษาให้เป็นภาษาของเราใช่ไหมเพราะนั้น <c oughs> เรากลับไปดูในคำบาลีเนี่ยมีคำว่าพุทธวจนะเนี่ยนะพุทธวจนะนะซึ่งคำเดิมเนี่ยถ้ามันฟังแล้วดูแล้วเนี่ย แล้วมันพอจะได้ในภาษาไทยเราคงคำเดิมไว้ดีกว่าคำผู้เจ้าที่เป็นคำเฉพาะจะได้ไม่สูญหายอย่างสมัยเด็กๆ เ, เราต้องว่าผู้เจ้าแสดงธรรมนะที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันใช่ไหมอ่าเรานั่งท่องกันมาจนจำแบบขึ้นใจแต่จริงๆป่านี้จริงๆชื่อป่าอิสิปัตนเนมิคธายเยนะอ่าก็คนละชื่ออีกแล้วนะ เราจำว่าผู้เจ้าเนี่ยกำใบประดูขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วเทียบกับใบประดูในป่าแต่จริงๆแล้วใบไม้นั้นชื่อใบสีสปานะและป่านั้นไม่ใช่ป่าประดูป่าสีสปาสีสปาวันเห็นไหมชื่อเฉพาะพวกนี้โยมอย่าไปเปลี่ยนเลยดังนั้นในสไตล์นี้ท่ารู้ท่าจะเวลาแปลก็กจะแปลคงเดิมไว้ใบสีสปานะไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกอะไร แต่ครั้งนั้นเรียกสีสปาอย่างเงี้ยเพราะนั้นเมื่อคำของตถาคตคือพุทธวจนะก็คือพุทธวจนะซึ่งพุทธะเป็นชื่อของพุทธเจ้าเราก็ยังใช้อยู่ในภาษาไทยพุทธะ <c oughs> วจนะก็คือคำพูดนะคำพูดของพุทธะอืมอย่างเนี้นยก็คำใหม่ที่ดัดดัดแปลงมาปรับหน่อยเติมกระลังเติมอะไรเข้าไปแค่นั้นเองนะ บางคนบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้สูดเขาอ่านไม่ออกเขาะอ่านคิดคำว่าจนอะรไรอย่างเง้นะบอกเขาระวังระวังจนนะอ่านผิดเดี๋ยวจนไม่รู้นะเนี่ยฮะไม่ทราบว่านังสือพุทธวจนะจะ ออจะหาได้จากที่ไหนจ๊ะคะเออก็หาได้จากที่นี่นั่นแหละนะ <c oughs> <c oughs> แต่เพิ่งทำเสร็จหนะึ่งเล่มนะยังเหลืออีกสามสิบสองเล่ม <c oughs> <c oughs> สยามรับมีสี่สิบห้าเล่มสี่สิบห้าเล่มแต่ท่นี้ว่าสี่สิบห้าเล่มเนี่ยมีวินายปิดกแปดเล่มมีสุด ต, ตันตปิดกยี่ห้าเล่ม แปดกับยี่้าเนี่ยเป็นสามสิบสามส่วนอภิธรรมปิดกสิบสองเล่มเนี่ยเป็นคำแต่งใหม่ทั้งหมดนะจึงตัดอภิธรรมปิดกออกไปเหลือแต่วินัยปิดกแปดเล่มกับสุดตันตปิดกยี่ห้าเล่มนะมันจึงเป็นเลขสามิบสามเล่มขึ้นมาเข้ <c oughs> าใจไหมเป็นอย่างนี้อท <c oughs> นนี้เมื่อใส่คำพระเจ้าไปหมดแล้วเราก็ใส่บาลีควบคู่ไปด้วยมันก็เลยหนาขึ้นมานิดหนึ่ง นอย่างี้ uh huh. กรณีของผู้ที่ปฏิบัติทางอื่นโดยที่ไม่ตรงกับพุทธวจน ะ, uh huh. อ, ะอย่างเช่นนั่งสมาธิแล้วบริกรรมด้วยคำต่างๆ uh huh. เดินจงกรมแล้วก็คกอก uh ้า huh. วสั้นก้าวยาว uh huh. อะไรลักษณะนี้เนี่ยครับ uh huh. ที่สุดแล้วมีโอกาสบรรลุธรรมหรือเปล่า มันแล้วแต่ว่าหนักมากน้อยขนาดไหนนะอย่างเรื่องการยกย่องย่างเหยียบอะไรอย่างนี้ซึ่งพรูเจ้าไม่ได้สอนเนี่ยแต่ลักษณะนี้เป็นวัดของเดลทีซึ่งพระองค์เนี่ยตัดกับภาษาริบุตรว่าเรียกว่าเชคุชิวัดหรือวัดในความเป็นผู้รังเกียจ บ, บอกภาราิบุตรเราได้ประพฤติวัดอย่างนี้มาแล้วแล้วพระองค์ก็ได้เลิกไปแล้วแต่ณวันนี้มาทำกันเต็มเลยเห็นไนหะเพราะเราไม่ได้ศึกษาคำครูเจ้านะ ทั้งศาลาเลยย่อมกันหมดเลยโอ้โหแล้วพระเจ้าเนี่ยบอกว่าพระองค์ก้าวช้าขนาดไหนนะพระองค์ก้าวช้าขนาดบอกองค์บอกว่าโดยแม้หยาดแห่งน้ำสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันอย่าได้ลำบากเลยพระองค์เพียรเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นพวกบูชาน้านะบูชาไฟนั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำ กินอุจละวัวควายเป็นอาหารทำตัวเป็นชีปเปลย์นะไม่อาบน้ำเป็นปีทำมาหมดแล้วนะดังนั้นเขากำลังเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิไงมากบ้างน้อยบ้างนะตามเหตุอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดว่า <c oughs> ไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสจะบรรลุธรรมก็ก็ น, น้อยลงแต่หมายถึงว่า หมายถึงว่าคนที่บริกรรมเป็นต้นว่าบริกรรมมีคำว่านั่งสมาธิแล้วหายใจเข้าพุโทโธก็อาจจะบรรลุทำได้ถ้าถ้าเกิดเขาไม่ติดติดยึดในในในของนอกแนวมากเกินไปอย่างนี้เขาจะไม่สามารถบรรลุด้วยของนอกแนวแต่เขาจะบรรลุด้วยคำพระพุทธเจ้าดังนั้นเขาใช้อะไรที่เป็นมรรควิธีของพุทธเจ้าบ้างหรือเปล่านะเช่นถ้าใช้อานิจจัง นั่นแนหะเขาบรรลุพร่อนิดจังเพราะคำคำเดียวก็บรรลุได้แล้วแต่จะบรรลุได้ไม่ได้ต้องกลับไปตรวจสอบอีกนะนะว่าคุณธรรมโสดาบันนั้นเป็นอย่างไรอย่างลงมั่นในพระศาสดาหรื อ, อยังนะฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันเป็นอย่างไรไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความยำเกรงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์หรือไม่มีความยำเกรงในศิก ข, ขาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ ในเมื่อผู้เจ้าบัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติอะไรเขาต้องยำเกรงนะเขาต้องเชื่อว่าผู้เจ้าเนี่ยถูกที่สุดใช่ไหมดังนั้นการไม่ใช้คำผู้เจ้าเนี่ยมันจะถึงขนาดขัดกับความเป็นโสดาบันไหมใช่ไหมหมายความว่าถ้าผู้ที่ปฏิบัติผสมผสานอยู่ด้วยความด้วยความที่ แต่เดิมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างไรแต่ว่าผสมอยู่นี่แหละมีคําของคนอื่นบ้างของแต่งไมบ้างสาวกบ้างพระพุทธเจ้าบ้างพอดีว่าปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งซึ่งตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็จึงมีโอกาสบรรลุธรรมโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเพราะว่าส่วนนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ณนะวันหนึ่งเขาจะต้องเลิกสิ่งที่มันผิดเขาจะต้องรู้สึกขัดนะเขาจะต้องรู้สึกขัดแยง้งนะว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่น่าใช่ อีกละนีหนึ่งสาวกที่ไม่ศึกษาคำพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าการถ่ายทอดบอกสอนจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิตฐิโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นเหตุเสื่อมของศาสนาในตัวของมันเองเพราะสาวกก็ไม่ได้สัพพัญญูทั้งหมดนะก็เลยผิดพลาดคาดเคลื่อนบ้างหน้าที่คือเราต้องกลับมายิงตรงกับคำพุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงวางหลักนี้เรียกว่าหลักมหาประเทศสี่ ฟังคําใครมาแล้วเขาจะอ้างว่าฟังมาจากพระเถระอาวาสนั้นอาวาสนี้เถระที่เป็นพระหูสูตรอาวาส น, นั้นอาวาสนี้พระนี้มีชื่อเสียงมากอย่ารับรองอย่าคัดค้านจําให้ดีเขาพูดอะไรแล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตสก่อนใช่ไหมแต่แล้นเมื่อจํามาอ๋อเขาสอนคําบริกรรมใช่ไหมมาตรวจไม่มีเลยสักพสูตดนี่เอาไม่มีเลยก็ผู้เจ้าบอกให้ละทิ้งคําเหล่านั้นไปเสียอย่าไปสืบต่อใช่ไหมอ่า เขาพาผมน้ำมนผู้เจ้าสอนห้ามทำนินาอา้าวเราก็ต้องละทิ้งไปเสียอย่าสืบต่อแต่ทีนี้ว่าถ้าเขาบอกเขาเป็น <c oughs> อริยะแล้วเขาทำน้ำมนต์โยงว่ามันจะได้ไหม <c oughs> น่โยมว่ามันจะได้ไหมเพราะการ <c oughs> การทำน้ำมนต์ <c oughs> การปลูกเสกเ่ <c oughs> เครื่องรางของขังมันจะทำให้เขาเกิดอะไรขึ้นได้อีกบ้างเราก็าต้องโยงไป สมมติว่าโยมกําลังนั่งปลุกเศกของอย่างหนึ่งนะโยมปลูกเศกอันนี้อื็นไหมปลุกเศกไปนะไล่มนแบบพวกพรามไต่เพศเขาจะใช้การไล่มนแสดงว่าโยมมีความเชื่อว่าโยมท่องท่อท่องท่อท อ, ท อ, อะไรอะ น, นี้มันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะแล้วก็เอาโยมมาดื่มไปนะแล้วจะเป็นมงคลนะเอาไปลาดหัวเปลี่ยนทั้งตัวนะมงคลเกิดขึ้น เขาต้องมีความเชื่ออย่างนี้ถูกต้องไหมความเชื่อตรงนี้มันมิจฉาทิฏฐิคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีน้ํำศักดิ์สิทธิ์บันดาล น, นะมีของศักดิ์สิทธิ์บันดาลอา้าแล้วมันจะใช้อริยบุคคลไหมเนี่ยซึ่งเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันที่จะเข้าถึงสังขารใดใดโดยความเป็นของเที่ยงนะอ่าหรือจะไปประพฤติวัตโกตัวละมงคลมงคลภายนอกของสมาพันธ์เราอื่นอย่างเนี้ย มันจะขาดคุณสมบัติโสดา บ, บันถึงแม้เขาจะได้ฝึกอต่ น, นิจังฝึกไม่เที่ยงฝึกฝึกฝึกฝึกแต่เขาก็ยังมีความเชื่ออย่างนี้ยังละมิจฉาทิฏฐิ ต, ตรงนี้ไม่ได้แล้วจะเป็นโสดา บ, บันได้อย่างไรอย่างเนี้ย น, นิยงให้เห็นแบบนี้นะใช่ไหมอ่เอาแบบเป็นเหตุเป็นผลไงะนะอาจารย์คร<ช>ับถ<อ>ามต่ออีกนึครับเดี๋ยวเยชบบับ พุทธวชนะที่ฉบับที่พระ อ, อาจารย์เริ่มเริ่มทําเสร็จแล้วมาทีละเล่มๆเนี่ยมีอยู่ในเว็บไซต์ด้วยหรือเปล่าครับมีมีมขอบคุณครับพอาจารย์ครับคื อ, เ, อ, อเรื่องการการบริกรรมพุทโธเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมก็ทำคือคือจิตเราเนี่ยเป็นตัวรู้เนี่ยพอหายใจออกว่าพุทธแล้วมันก็มีลมอยู่แต่ขณะเดียวกันเราจิตเนี่ยไปผูกกับพุทธแตไม่ได้ผูกกับลม Mm hmm. แต่พุทธวจนะเนี่ยบอกให้เอาจิตเนี่ยไปผูกกับลม uh huh. ซึ่งซึ่งมันเป็นการจับที่ลมโดยตรง uh huh. โดยโดยไม่ต้องมีมีมีคำว่าพุทธเข้าเข้าอยู่ตรงกลางและและจะให้โยมทราบ ว, ว่าตัวความคิดคืออะไรตัวความคิดคือนามธรรมนะนามธรรมคือสัญญาสังขารและขณาดที่โยมคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแม้เพียงนิดเดียวเนี่ย มันเป็นที่ตั้งของวิญญาณถ้าโยอมไปดูที่ผู้เจ้าตัดว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดํารฤทธิ์ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยมคิดคําอะไรขึ้นมาสักคำเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้ววิญญาณไม่ได้ตั้งที่ลมนะแต่เราคิดว่าวิญญาณตั้งที่ลมไม่ใช่วิญญาณไปคิดแล้วแม้แต่โยมนั่งดูลมหายใจเข้าออกแล้วยมหลุดไปคิดเรื่องอดีตคิดแล้วนะวิญญาณไปแล้วนะ นี่เป็นอย่างนี้ตรงตร ง, ตรงจุดนี้นะฮะบางทีเราเร า, เราถ้าเผื่อขณะที่เข้าสมาธิเนี่ยแต่ว่าจิตเราเนี่ยไปไปอยู่ที่อื่นซึ่งซึ่งสมมติว่าถ้าถ้ามันไปคิดสิ่งของที่มันไม่มีชีวิตแต่ขณะนั้นเนี่ยเราตายขณะนั้นเนี่ยดับลงแล้วเราจะไปเกิดตรงนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอย่างไรนามธรรมยกนามธรรมนามธรรมนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะตัวนามธรรมสร้างอัตภาพใหม่ได้ทั้งสิ้นนะ สร้างได้หมดเลยสร้างอัตภาพใหม่ใช่อัตภาพใหม่จะสร้างได้จิตต้องไปเกาะนมามธรรมก่อนจิตเนี่ยวนอยู่ในสี่ธาตุเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยสี่ธาตุเนี่ยนะพระเจ้าให้อามาเกาะกับรูปธาตุที่นั่งอยู่ตรงนี้เรียกรูปธาตุนะเอาจิตมาเกาะตรงนี้แต่จิตจะวนไปเกาะอีก3ามตัวคือเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมและนี่คือภพคือที่เกิดของจิตรูปก็คือภพ ตรงนี้ก็คือภพนมามธรรมอีกสามตัวนี้ก็คือภพผู้เจ้าจะบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดําเนินถึงสิ่งใดนั่นแหละเป็นอารมณ์ของการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงดงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปต้องมีภพมีแล้วนะตรงนั้นเป็นที่เกิดของสัตว์แล้วซึ่งเวลาอัตภาพเนี่ยผู้เจ้าจะบอกว่าอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งตะบุญก็ดี <c oughs> ย่งคิดถึงอะไรมันไปเกิดได้ทั้งนั้น แม้ว่าสิ่งที่ไปเกิดสมมันมันคือเป็นนามาทํามันมันมมัันนไม่มีคือโอเคจิตก็ไปสร้างภพแต่ตชาติชรามรณะมันจะเกิดตามมาแต่ถ้าสิ่งนั้นมันมมัันนความเข้าใจของผมที่ว่าแบบถ้ามันไม่มีชีวิตมันจะเกิดได้หรือเปล่าได้ระบบการเกิดมีหมดทุกรูปแบบ เดี๋ยวไปอ่านหนังสือครบคลุมดีวกวนายมนึกถึงมเมฆนะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมเมฆนะเรียกพวก <c oughs> พวกวลาหกเทวดาที่นับหนึ่งในหมู่วลาหกนะอาศัยเมฆนะเทวดานับหนึ่งในหมู่คนทันในพวกนี้อาศัยอยู่ในต้นไม้และไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่อย่ า, ยยางที่เราทราบนะว่าต้นไม้ใหญ่ๆจะต้องมีเทวดามั้ยต้นไม้ที่มีกลิ่นนะ มีกลิ่นที่ล่ากมีกลิ่นที่ใบมีกลิ่นที่แกนมีกลิ่นที่อะไรนี่ผู้เจ้าจะบัญญัติไว้หมดเนี่ยมันเป็นที่เกิดได้ทั้งนั้นโยมไม่รู้จักกายที่สำเร็จด้วยใจใจเนรมิตได้ใจสร้างอัตภาพตัวเองขึ้นมาณนะสถานที่ตรงนั้นนะไปดูระบบการเกิดของผู้เจ้าการเกิดในคันการเกิดในขายการเกิดในของเปลือกตมการผุดขึ้นมาเป็นตัวระบบการเกิดนี่ต้องไปดูรายละเอียดนะ อยากปรุงแต่งเองอก็สงสัยเอตัวเท่าสมมติที่เกิดเอ้ะถ้เกิดตายตอนนี้เลยจับตรงนี้เลยเนี่ยอู้ขนาดนี้เราเราคิดในสิ่งที่มันมันไม่ิดมันมันมันไม่เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันมันจะอยู่ได้หรืออะไรได้เป็นที่ตั้งของวิญญาณได้ทั้งหมดนะอาจารย์เจ้ค่ะก็คงขอโอกาสทีหนึ่งในเรื่องของอะลม อาจารย์พูดถึงลมหายใจสุดที่เขาพูดถึงลมหายใจสุดท้ายที่ว่าไปคิดถึงอะไรแล้วก็จะจะเกิดเป็นสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมอาจารย์โอเคที่แบบเกิดในอารมณ์นั้นเกิดในอารมณ์อารมณ์นั้นเนี่ยจะเป็นอัตภาพใหม่ของเราเพราะนั้นถือพบถ้าเกิดตายพอดับพอดีละสงคาญพอดีก็จะเกิดเป็นสิ่งเหล่านั้นก็โยมมนัะนั่งคิดว่าเอ๊ะกรณีที่เกิดถ้าเกิดคิดเป็นเดราฉานสมมตินะอ่านึกก็จะ พอพอลมหายใจสุดท้ายก็จะต้อง เ, อเข้าสู่อัตภาพนั้นใช่ไหมเจ้าคะ่ะถ้าถ้าอย่างที่พระอาจารย์ได้ได้ไดมีเหตปัจจัยมากกว่านั้นอีกเพราแนะแ้แล้วแล้ว บ, บุญที่ทำมาบุญกรรมมันไม่ได้ไหลไปตามอนุสัยที่ที่เราได้ทำมาช่วยชีวิตสำหรับในในภพนี้หรือเจ้าคะ่ะกรณีที่สุดท้ายเนี่ยไปคิดเกิดคิดไม่ดีขึ้นมาก็ต้องไปก็ต้องลงไปก่อนลงก่อน แต่ถ้าเกิดว่าคิดดีก็ขึ้นไปแล้วก็ค่อยไปแกะยองคิดว่าลมหายงั้นก็เป็นนั้นว่าในมนุษย์ในชีวิตของเราเนี่ยก่อนละสังขารลมหายใจสุดท้ายเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําคัญสิสำคัญมากเพราะว่าแล้วใครจะรู้ว่าลมหายใจสุดท้ายเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครรู้อัตภาพจะพังเมื่อไหร่ทุกลมหายใจเป็นลมหายใจสุดท้ายได้ทั้งนั้นงั้นก็สิ่งที่ที่ที่ที่ที่อาจารย์เคยเคยบอกสอนว่าจะต้องกลับมาที่ลูก ที่กายอื huh. รวมอย่างสุดท้ายคือถ้าเรานึกเราเราเหมือนกับเราเราอยู่กับลมเนี่ยจิตเราจะไปในที่ที่ดีเพราะว่าจิตเราสงบใช่ไหมจ๊ะไปนิพพานเพราะถ้ายมเอาจิตกลับมาอยู่กับกายได้นั่นคือยมละภาวะตัณหาได้ตัณหาในการแสวงหาพบและเมื่อกายแตกทําลายบิณ ญ, ญาณจะหาที่ตั้งไม่ได้จะหลุดพน้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้นี่คือหลักการนะผู้เจ้าจึงบอกเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายลหลักมันแค่นั้นเองนะ นักรรชาการครับขออนุญาตถามคือตอนนี้ก็พอจะเข้าใจครับว่าวิญญาณที่ติดสี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่ว่าพอไปอ่านในบาลีสยามแล้วจะมีวิญญาณที่7เจ็ดแล้วก็อายุธนะสองก็อยากจะให้ท่านอธิบายนนีครับอ๋อมันต้องมีแผนภูมิวันไหนจะทำแผนภูมิตรงนี้ และจะยงถึงตั้งแต่ถ้ายงไปอ่านในปฏิจจหน้าส420ี่ี่สิ่ยในปฏิจจะเนี่ยทีพ่พระเจ้าบอกพระเศคารูปคลจะรู้ซึ่งอะไรอันจะรู้ซึ่งอะไ ร, าา ร, ะ ร, ไ, รไล่ตั้งแต่รู้ซึ่งรู้แจ้งซึ่งดินน้ำไฟลมภูตสัตว์ประชาบดีนะเทพอัพสระคมเบีรรยร์ภรรคุมอะไรล่มาเรื่อยนะจนทั้งถึงนิพพานตัวเนี่ยแล้วเอาไปเทียบกับเรื่องของวิญ ญ, ญาณทิฏิเจ เอาไปเทียบกับสัตววาท9เก้านะมันจะลงล็อกกันพอดีหมดเลยนี่คือเรื่องที่สุดยอดมากน ะ, ะแล้วจะได้ได้ในเรื่องของอสัญญีสัตว์ได้ในเรื่องของเนวสัญญาณนะสัญญาญตนะอะไรพวกนี้นะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างน ะ, อะพอดีมันไม่มีแผนภาพให้นะนะเออ ย ม, ยมถามในเรื่องอะไรนะในเรื่องของวิญญาณที่ตีเจ็แล้วก็อายตนะสองครับอายตนะสองอายตนะสองเนี่ยตัดไว้สองในยะ <c oughs> อายตนะอีกสองเนี่ยจะบอกว่าสเนวสัญญาณาสัญญาเจตนะกับสัญญาเวทิธนิโรธอีกอันเนี่ยจะบอกอายตนะสองเนี่ยบอกว่าอสัญยีส ต, ตายจตนนะกับสัญญาเวทิตานิโรธ นั้นมันมีตัวตัวเชื่อมกันอันหนึ่งตัวไม่เชื่อมกันอีกอันหนึ่งอย่างนี้นั้นตรงนี้ก็ <c oughs> ในเรื่องอายนะสองเนี่ยถ้าในกลุ่มของเนวสัญญากับสัญญาเวทิีผู้เจ้าพูดในแง่มุมของการหลุดพ้นว่าจะหลุดพ้นโดยใช้สองสมาธินียต้องออกจากสมาธิแล้วเข้าไปใหม่ต้องออกมาแล้วเข้าไปใหมนะ่ส่วนอายณะอีกสองเนี่ยจะเป็นที่เกิดของสัง เป็นที่เกิดว่าไปเกิดเป็นอสัญญาศัตว์กับอีพวกห น, นึ่งไงนะจะไปกลับเป็นเกิดไปเกิดเป็นเทพผู้มิลิทธัทงใจยอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องของอายณะสองซึ่งมีอยู่สองแบบอย่างนี้แต่ต้องทําฝังมาจะจ ะ, จะเห็นนะแล้วจะเห็นไปถึงเรื่องว่าการที่ใครนั่งสมาธิ แล้วจะได้ไปเกิดเป็นอะไรในแบบใด อ, อย่างที่ทำสมาธิถ้าไม่ได้สดับในธรรมไปเกิดเป็นเทวดาแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนแต่ถ้าได้สดับในธรรมจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่จะเป็นอะไรบุคคลและจะปริยบพ่านภพนั้นแต่ถ้าได้สมาธิแล้วเห็นการเกิดดับด้วยจะได้ไปเกิดในชั้นสุดทา้ายและปริยบ่านภพนั้น จะมีงานมุมพวกนี้ซึ่งจะพวกจะตัดอย่างเป็นระบบเลยพอเรามาทำแผานมันจะทําผงได้เลยอย่น <c oughs> อืมอนีก็พะเยอยากให้ทำได้อธิบายจะได้ทะลุไปได้ง่ายขึ้นอ่าอมันต้องอธิบายในในคอร์สที่มีจอโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะแล้วก็เขียนแล้วก็จะชี้ให้เห็นยงจะเข้าใจมากขึ้น <c oughs> แต่แต่การอ่านไปที่จะเกิดความเข้าใจยม <c oughs> ต้องอ่านซ้ำ ใช้การอ่านซ้ําอ่านซ้ําอ่านซ้ําเรื่อยๆ <c oughs> จนคําของผู้เจ้าเนี่ยมันอยู่ในหัวและต่อไปมันจะประมวลผลโดยจิตของโยมนะอ่าแล้วมันถึงจะประมวลได้นะดังนั้นผู้เจ้าจึงบอกต้องฟังเนือ ง, นงจนคล่องปากขึ้นใจมันต้องขึ้นใจเลยนะแล้วมันจะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็ น, นเพราะการประมวลโดยจิตของเราเนี่ยดีที่สุด เอาแบบกายไม่ออกแต่จิตออกนะก็เมื่อกี้เรื่องอะไรคำบริกรรมก็เลยเป็นอย่างเนี้ยเนาะ เรื่นงของบริการ ม, มันก็เลยมีหลายแบบขึ้นมาผมกลับเรียนพระอาจารย์พอดีครับพอดีสงสัยเรื่องนี้พอดีนครับเรื่าบริการนะครับก็คือปกติผมจะกําหนดเคยไปวัดที่เคยปฏิบัตินะครับกําหนดด้วยการถูกเนอะยินเนอะถูกเนอะยินเนาะวนอยู่อย่างนีครับแล้ว ก, กลายเป็นนิสัยพอใช้ชีวิตประจําวันก็ได้ยินก็จะเติมหนอไปทําให้วางลงง่ายครับแต่พอฟังผูว้วจะนะแล้วเนี่ยรู้ว่าจริงๆไม่ควรจะใส่คําว่าหนา ร่างายมันได้ยินเฉยแต่นี่มันการมันวานงลงยากครับก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนดียินยินแล้วก็จะคิดไปต่อว่าเ อ, อ้ยยินทําคานนะไอค้คำการเป็นว่าผมพอตัดคําว่าหนอปับก็เลยเกิดปัญหาเป็นว่ามันวานงลงยากกว่าเดิมครับควรทำยัางา น, นดีครับเออชื่อมั่นในผู้เจ้าแล้วก็สั่งสมแต่คําำตถาคตไปเดี๋ยวของเก่ามันจะค่อยๆลืมเองอาตมาก็นั่งท่องพุทธโธมาเป็นสิปีกว่าจะเลิกก็เป็นปีหนึ่งติด <น>ก็ต้องพยายามตบต้องพยายามแล้วก็ตัดหนอทิ้งไปใช่เพราะว่าอย่างถ้ า, ศ า, ศาภาษาลิบุตเนี่ยก็อยู่กับสัญชาตปริพาชคมันานเหมือนกั น, <ว>นใช่ไหมจนมีโอ้บริษัทบริวารมากมายแต่พอมาศรัทธาพระเจ้าจะมาบนม่นไหมโอ้ยังติดคําสัญชาตปริพาชกอยู่เลยเนะี่ยกแก้ไม่ตกไม่มันต้องทิ้งเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็เชื่อมั่นในพระา ศ, าศาสดานะท่านถูกแ น, น่นอนนะของเก่าไม่เอาครับผมอ่า จะ ด, ดินสามพี่น้องกัโยนทิ้งหมดเลยเนี่ยเรามาฟังผู้เจ้าใหม่อย่างเนี้ยเขาต้องฝืน <c oughs> ใช่ต้อง <c oughs> ฝืนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆ <c oughs> เปลี่ยนอนุสัยใหม่เหมือนเราเนี่ยเคยฆ่าเคยขโมยเคยโกหกมาเรามาล้างอนุสัยทาั้งนั้นนะเรามาประพฤติมั่กแปดเนี่ยเราเคยชินมาแล้วเป็นแสนล้านชาติณวันนี้เรามาลื้อใหม่หมดเลยนั้นเนี่ยอืเหมือนกันนะ่ะเก็ต้องพยายาม ใช่พยายามต่อไปเดี๋ยวได้อาจารย์ครับคือคือถ้าเผื่อว่าจิตเราเนี่ยพุ่งมากเนี่ยเราเราสามารถรลลึกถึงความตายที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยในทุกขนาดจิตเนี่ยแล้วเราให้สลัดคืนความคิดทั้งหมดที่มีที่เป็นเนี่ยได้ไหมถ้าถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ได้แต่มันต้องอยู่ที่การฝึกนายยมฝึกชำนาญแค่ไหนแหะ ยมคิดได้แต่มันทำไม่ได้อย่างเรานั่งสมาธิตอนนี้เอาห้านาทีขอให้จิตนิ่งมันจะไปชิวชิว ช, ชเห็นหมมันอยากอะแต่มันทำไม่ได้การฝึกกับความปรารถนามันต้องไปคู่กันไงเอาความตายนี่ข่มกันมาได้ความตายเนี่ยใครนึกเยอะเนี่ยมันจะเกิดการปรับดความเพียร น, นะมันจะทาให้ให้จิตสงบขึ้นอย่างอื่นจะเป็นเรื่องรองไปเลยถ้าวันนี้ตายไม่อยากได้อะไรลนะนะ ใช่ไหมพรูเจ้าจึงบอกมรณะสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากเนี่ยย่อมมีผลใหญ่มีนิสงใหญ่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นปรโยสารมันจะเข้าถึงความไม่ตายในที่สุดอยู่นเองเอออยากถามพระอาจารย์ะคะว่าให้ทานแบบที่เราักความตะนีอะค่ะแล้วตะนี้เราคือ อยากหลุดพน้นนะก็คือตอนนี้ก็ไม่ต้องอธิษฐานจิตอะไรแล้วใช่ไหมคะแบบปล่อยวางไปเลย่ไหมปล่อยวางก็ว่าถ้าดูเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นประเด็นที่น่าน่าสนใจแล้วก็น่านํามาเปิดเผยในหนังสือพุทธภมที่จะทําขึ้นใหม่ในพระสูตรเนี่ยว่าเมื่อบุคคลให้ทานแล้วเนี่ยมีจิตผูกพันมีจิตหวังผลในทานมุ่งการสังสมอันนี้ได้เป็นเทวดาเหมือนกันนะแต่จะเป็นเทวดาชั้นต่ํา ชันะ้นเบื้องตน้นนะอีกพวกหนึ่งเนี่ยไม่มุ่งการสั่งสมไม่หวังผลในทานแต่คิดว่าการให้นั้นเป็นการดีนี่ขยบขึ้นมานะอีกพวกหนึ่งก็คิดว่าเอออย่าเสียประเพณีเลยปู่ย่าตายายทาววําทมาเราก็ทําไปบ้างนี่ก็ได้ขยบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งก็มองว่าเออสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้เนี่ยการไม่ให้ไม่ดีให้ดีกว่า นี่ข ย, ยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะข ย, ยับมาเงี้ยไปเรื่อยๆบางพวกเนี่ยมองว่าให้ทานแล้วเกิดปิติอยากได้ปิติใจสุขใจนี่ก็ข ย, ยับขึ้นมปแต่ดีที่สุดคือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ทานในลักษณะของโสดาบันละความตนมีเป็นผู้มีจาระการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกแจกทานอยู่กลองเลือน คุณธรรมโสดาบันที่มีทานการให้และมั่นคงในพลัราตนไตรการลกความตเนี่ผู้เจ้าบอกจิตที่ตเนี่เกินไปยากที่จะเข้ามรคลนี่คือลักษณะของการให้ทานที่จะทำให้เราเนี่ยขยบชั้นขึ้นเป็นอะไรบุคคลและงานมุ่งของทานที่ <c oughs> ทำให้เราเป็นอะไรบุคคลเนี่ย ก็คือเรื่องของการให้ทานในลักษณะของนามธรรมเช่นอภัยทานอเวลทานอภิยาประชาทานมหาทานชั้นเลิศสินห้าเป็นมหาทานชั้นเลิศและสุดท้ายการให้ทานในขันธ์ห้าเนี่ยจะทําให้หลุดพ้นนี่คือมุมของทานที่ไล่ลําดับไปจนทั้งหลุดพ้นมันมีความลึกขึ้นลึกขึ้นเป็นลําดับใครจะคิดว่าการรักษาสินคือการให้ทานด้วยมันมองไม่ออกไนงะอืม ปุจจานบอกเป็นการให้ทานชีวิตยังไม่มีประมาณเป็นการให้ทานทรัพย์ยังไม่มีประมาณยมอยากให้ทานทรัพย์ไม่มีประมาณยมรักษาสินค้าในข้อที่สองแค่ไม่รักทรัพย์เนี่ยยมให้ทานทรัพย์แล้วนะอืมมุมเนี่ไม่ค่อยมีคนเน็นไงใช่มันละเอียดแล้วพอมานั่งสมาธิเท่ากับศินบริบูรณ์ก็กลายเป็นว่าขณะทําสมาธิศินก็บริบูรณ์เมื่อสินบริบูรณ์ทานก็บริบูรณ์ เวลาพูดสินสมาธิปัญญาจึงไม่ต้องพูดทานสินภาวนาตัดเรื่องทานไปแล้วมาพูดสินสมาธิปัญญาเห็นไหมเพราะมันสวมอยู่ในนั้นแล้วอย่างนี้นใช่ขณะที่สมาธิ <c oughs> ทานสินมันครบหดเลยมันเลยบรรลุทาได้ไง <c oughs> ใช่ <c oughs> อ่า <c oughs> เป็นอย่างนี้นะอ่ามีเพิ่มเติมไหมจะบ่ายโมงแล้ว เอาสั้นๆอย่อยหนึ่งทาบริกรรมก็ยังไม่เคยเปิดประทับที่บริกรรมแต่ยังไม่ถือติดเป็นที่ใส่ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ใช้ที่ที่ผมจะเรียนทำอาจารย์จะขอโทษย่อยทำนะผมไม่ไม่ได้ว่าท่านจะเรียนว่าคือก็จะมีคนถามเรื่องคำบริกรรมกับผมเหมือนกันแต่ผมจะตอบไปตรงๆเลยโดยไม่ต้องที่หมายว่าบรลุกไม่ได้ ยกพิสูจนู่มือโสดวบัฐเลยหนึ่งสองสามขัดแน่นอนยี่สี่ยี่ห้าหกเจ็ดขัดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นโสดาบัฐบคุณก็บระลุไม่ได้ผมจะตอบอย่งนี้เลยโดยไม่ต้องพิบายนแต่ตดูได้ว่าถูกต้องไหมไม่ยีพยสูจน์หนึ่งสองสามเลยแล้วก็ยี่สี่ยี่ห้าหกเจ็ดขัดทังนั้นก็ถือว่าไม่บระลุถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรารักษาข้อวัดไกลไว เรารักษารบบรรกรรมประการเรารักษาข้อวัดไข่แต่ไม่ใช่ของผู้เจ้าอ่ามันต้องมองย้อนกลับอย่างนี้เรารักษาการพรมน้ำมนต์ไว้เนี่ยถามรักษาข้อวัดไข่ถามพระลูกนั่นนะรักษาอย่างเหนียวแน่นเลยแต่ของใครแต่ไม่ใช่ของผู้เจ้านะท่านต้องแยกแยะให้ดีนะนะถ้าท่านบอกเออผมรักษาของประลัยปลาชโชอเคก็จบไปแต่ถ้าท่านบอกรักษาของผู้เจ้านี่ไม่ใช่แน่นอนนะถ้าท่านกําลังตุกเสกเนี่ยถามว่าท่านรักษาข้อวัดใคร แต่ไม่ใช่ของผู้เชา่าถ้าเขาบอกว่าผมกำลังรักษาในระสาวิชาโอเคจบไม่มีปัญหาถูกตอ้องนะอ่าอย่างนี้นะมันจะเห็นชัดไงเนะอ่ามันจะเห็นชัดอย่างนี้นะอ่ า, อากอาจารย์คะ ขอย้อนไปเมื่อตอนพึ่งเช้วโมงที่แล้วอะค่ะฮพวกดูเลิกต่างๆอะค่ะฮะยามเลิกยามงานต่างๆอะฮมันเป็นเอาวิชาทุกอย่างใช่ไหมคะถูกบรรจุอยู่ในวิจฉาอาชีวะเหมือนกันคืออย่างเลิกโทษค่ะอย่างเลิกงานแต่งเลิกทําบุญบ้านพวกเนี้ยจําเป็นต้องเชิญพระมาหรือเปล่าคะจะถามเรื่องเลิกหรือเรื่องการเชิญพระทั้งสออย่างค่ะพระอาจารย์เรื่องเลิกไม่มี แต่เรื่องการเชิญพระการนด้มนพระเข้าบ้านเนี่ยมีในครั้งพุทธกาลอันนี้สงของการที่พิสูุผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเลนของผู้ใดจะได้อะไรการที่โยมเริ่มใสเนี่ยเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์การลุกลับกลับว่าให้สนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนะการจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้กิติศักดิ์ใหญ่นะนะเป็นไปเพื่อการได้โพค่านใหญ่นะนะ นั้นการได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อกันได้ปัญญาใหญนะนะ่นั้นจะมีอนิสงส์ตัดบอกไว้หมดนะแต่พิสูุเข้าบ้านแล้วทําอะไรไม่ใช่ไปทําน้ำมนต์ไม่ใช่ไปทําสายศีลเชือกศักิ์สิทธิ์อะไรให้โยมอีกนันก็มิจฉาอาชีวะอีกโยมก็เข้าสู่มิจฉาทิฏฐนะิคิดว่าสายศีลนี่มันกันอุบัติเหตุรายได้กันเพศภัยต่างๆได้ไม่ใช่ไม่มีเพราะมันจะไปสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลสุขทุกข์เกิดจากคนอื่นบันดาล มีอะไรศั ก, กดิก์สิทธิ์มาสั่งการได้แต่มันเป็นกฎอิทธิปฏิยาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิทัปิปฏิยาต่างหากนะกรรมเป็นตัวกําหนดพระเจ้าบอกคนเราเป็นพระราชาเพรเพราะกรรมเป็นชาวนาเพเพราะกรรมเป็นพ่อค้าเพรเพราะกรรมอย่างนี้นะไม่มีพรมมาสั่งเธอจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนี้ไม่มีน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรศักดิ์สิทธิ์มาสั่งเธอจงอย่างนี้อย่างนี้ ใช่ไหมนั้นถ้าพระเข้าไปทําอย่างนั้นก็คือเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิและกําลังนําพามหาชนเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิไปด้วยพระอาจาจึงบอกพระที่สอนมักผิดปฏิปทาผิดจะนําพามหาชนนะจะเกิดความเสียหายต่อมหาชนเป็นจํานวนมากนะจึงมีบทวิธีลงโทษของพิสูจน์ที่กระทําผิดนะที่ว่าด้วยมักและปฏิปทาตัชนียกรรมนะตัดเตือนนิยสกรรมถอดยศตัดสิทธิ์กลับไปถือนิสัยใหม่ อภัยชนิยกรรมขับออกจากพื้นที่ปฏิสารนิยกรรมกลับไปขอโทษก็เลหันอุเคปณิยกรรมไล่ออกจากหมู่อย่างนี้นี่สําหรับพวกที่สอนผิดปฏิปทาผิดอย่างนี้นี่คือผนเสียเข้าใจไหม อ, มอานะข้าขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสั่งสมสุตะในคําของตถาคตก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ความกระจ่างในคําของตถาคต เป็นผู้รอบรู้ในคำของตถาคตที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการัในใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเติม